พาเพื่อนมาอะไรวันนี้เพื่อนหนกกำลังใายเลย <c oughs> ม, ม, มามามาต้องการอะไรหรือเปล่าไม่อยากได้กำลังใจม้างเนะี่ยเอากำลัง เอาเอากำลังร่างกายก็เพื่อต้องการกําลังกายใช่ไหมแต่กําลังใจนี่สําคัญกว่ากําลังกายเนาะรับตลอดเลยคะรับตลอดเลยล่ะกำลังใจนี่ก็ต้องใช้ร่างกายออกกําลังใจก็ต้องใช้ใจออกอการออกกําลังใจก็คือต้องหยุดใจอใจมั น, ในใอืม ใจมันชอบไปไหนมาไหนเราต้องหยุดมันที่เราไปไหนมาไหนเพราะเราไม่มีกำลังใจที่จะหยุดใจปล่อยให้ใจลากเราไปทุกทุ ก, ทกขนทุกแห่งไปแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาได้แต่ความเหนื่อยคือว่าไปแล้วจะได้ความสุขไปแล้วก็กลับมาเหนื่อยเอง กลับมนวนกายหน้าผากกันเชม่น mm. พาเราไปเที่ยวลากเราไปเที่ยวพอเรากลับมาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีกว่าเดิมใจก็ยังยังเหนื่อยยังยังลาบากยังทุกข์อยู่เหมือนเดิม การเรากำลังใจนี่เพื่อที่ทำให้ใจเราสุขทำให้ใจเราสบายใจให้ทำให้ใจอิ่มตอนนี้ใจเรามันหิวอยู่เรื่อยๆมันอยู่ไม่เป็นสุขมันต้องทํานูน่ทนทํานี่ต้องไปที่นั่นไปที่นี่มันถึงจะมีความสุขแต่มันเป็นสุขปลอมพอกลับมามันก็หายไปหมด อยากไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวก็สนุกกันพอเรากลับมามาถึงบ้านความสุขก็หายไปหมดเนื่องจากความเหนื่อยแลาวถ้าเงินหมดก็ยิ่งเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจขึ้นมาอีกเงินหมดเออจะหาเงินที่ไหนมาเที่ยวต่ออีกก็ต้องไปเหนื่อยกับการหาเงินหาทองพอได้เงินทองมาก็อยากจะเที่ยวอีก เนพราะเราไม่มีกำลังใจที่จะสู้กับความอยากไปเที่ยวอยากไปใช้เงินทำให้เราต้องหาเงินอยู่เรื่อยหาเงินมาได้ก็ต้องเอาไปใช้ใช้แล้วก็หมดเงิ น, นก็หมดความสุขก็หมดก็ต้องหาใหม่แล้วถ้าหาไม่ได้ก็ยิ่งทุกยากที่ทุกทุกใหญ่ พอหาเงินไม่ได้เป็นไงสบายใจไหมแต่ถ้าเราหยุดใจได้มีกำลังหยุดใจได้อยู่เฉยๆได้เงินก็ไม่เสียสักบาทเมื่อไม่ใช้ไม่ต้องใช้เงินก็ไม่ต้องไปเหนื่อยกับการหาเงินแล้วก็ไม่ต้องผิดหวังกับการหาเงินไม่ได้ทั้งวันนี้คนผิดหวังกันเพราะว่าหาเงินไม่ได้ตามที่อยากจะได้กัน วันวันวนวนหวยออกนี่โหตอนตอนก่อนเอานี่ใจตื่นเต้นกันใจมีความหวังกันพอหวยออกแล้วไม่ถูกนี่ใจก็เศร้าหมดกำลังใจพอไปพึ่งเอากำลังใจไปพึ่งไว้กับเงินทองเวลาได้เงินทองมาก็มีกำลังใจดีใจดี อ, อกดีใจพอไม่ได้มาก็เสีย อ, อกเสียใจ เี่แเราไม่มาออกกําลังใจที่ถูกวิธีวิธีที่ออกกําลังใจถูกวิธีก็คือหยุดใจทําใจให้มันอยู่เฉยๆให้ได้จะลราจับใจมาให้มันนั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงเดียนะไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยๆนั่งเก้าอี้สบายๆไม่ต้องนั่งขัดสมาไม่ต้องหลับตาเพียงแต่สู้กับความอยาก ที่จะลุกไปนู่นลุกไปนี่เรานั่งเฉยๆดูหยุดใจถ้าชนะความอยากได้ใจหายอยากใจก็จะสบายมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรสุขกว่าไปเที่ยวกลับมาไปเที่ยวหกชั่วโมงกลับมาความสุขทีไ่ได้ไปเที่ยวหกชั่วโมงหายไปมีแต่ความเหนื่อย ไปเที่ยวกลับมาก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ความอยากไปเที่ยวก็มาอีกแต่ถ้านั่งเฉยๆได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆสบายไปเที่ยวก็ต้องเสียเงินเสียทองอยู่บ้านก็ไม่ต้องใช้เงินทองมากไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อผ้าใส่แล้วก็ต้องมาซักอีก หาห า, หางานให้เราทำอยู่เฉยเฉยไม่เป็นสุขกันชอบหางานให้ตัวเองทำไปเที่ยวก็ต้องไปใช้เงินใช้เงินหมดก็ต้องไปทำงานอีกไปหาเงินหาทองอีกพอได้เงินมาก็ไปเที่ยวอีกก็วนอยู่อย่างนี้แล้วถ้าหาเงินไม่ได้ก็เสียใจพอไม่มีเงินเที่ยวก็หุดเงิดเจ้าส่อ้อย้อยเหงาว้าเว ไม่มีเงินจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็นไปไม่ได้เดี๋ยวให้เพื่อนจ่ายก็ก็จะว่าเราอีกอยากจะดูเพื่อนแท้ก็ดูตอนที่มีเงินแล้วไปมีเงินเนี่ยถ้าเพื่อนแท้ออกมาเลยไปเที่ยวด้วยกันจ่ายให้แต่ถ้าไม่เป็นเพื่อนแท้ก็บอกว่า อ, อย่ามาเลยเนี่ยกำลังใจสำคัญมากกำลังใจเป็นบอ่บอบ่อให้เกิดความสุขใจ ทำให้เราสบายใจไม่ต้องดินน้นรนแต่วันนี้เราดิ้นรนกันเหนื่อยถ้าเป็นแทบตายแล้วเราได้อะไรจากการดินน้นรนก็ไม่ได้อะไรได้ก็ได้แป๊บเดียวแล้วก็หมดไปแล้วได้ถ้าได้ความสุขก็ได้เดี๋ยวเดียวมันไม่ได้ตกค้างอยู่ในใจเราเลยความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวจากการใช้เงินทองนี่พอใช้หมดแล้วมันก็หายไปหมด เหลือแต่ความอยากจะใช้เงินใหม่อยากจะเที่ยวใหม่ก็ต้องไปเที่ยวก็ต้องหาเงินแล้วมันก็อยู่วงอยู่ในวงจรนี้วงจรของความไม่พอเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เงินมากน้อยเพียงไรก็ไม่พอเราต้องออกจากวงจรอุบาท น, นี้ด้วยการไม่เที่ยวด้วยการไม่ใช้เงิน ลองนั่งเฉยๆ้องอยู่บ้านเฉยๆดูไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องไปเที่ยวดูเราจะมีเงินเก็บไว้ได้เก็บไว้ใช้กับของที่จำเป็นจริงๆดีกว่าเพราะร่างกายเรายังต้องใช้เงินต้องใช้เงินซื้ออาหารใช้เงินรักษาโรคภัยไข้เจ็บใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆที่มันจำเป็น ถ้าเราเอาไปใช้กับของที่ไม่จําเป็นพอถึงเวลาจะใช้กับของจําเป็นก็จะไม่มีใช่ตอนนี้ฝรั่งก็กําลังถกเถียงกันว่าจะซื้อไอโฟนใหม่ดีหรือซื้อประกรันซื้อประกันสุขภาพดีเพราะถ้าเกิดเรามีเงินไม่พอเราก็ต้องเลือกเอาแล้วจะซื้ออะไรดี มันก็ต้องซื้อประกันสุขภาพมันจะดีกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันเวลาเราจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้มียามีหมอรักษาถ้าซื้อไอโฟนมามันรักษาเราไม่ได้นะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นเราต้องรู้จักใช้เงินให้ให้เกิดประโยชน์กับเราอย่าให้มันเกิดโทษกับเรา ใช้เงินไปเที่ยวใช้เงินกับซื้อของตามความอยากต่างๆของที่เราไม่จำเป็นจะต้องซื้อไม่ต้องมีมันจะทำให้เราไม่มีเงินเก็บไว้สาหรับใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อไปเพราะมันใช้แ้วมันจะติดเที่ยวเนี่ยมันจะติดเที่ยวเราต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆซื้อของที่ไม่จำเป็นก็จะซื้ออยู่เรื่อยๆพอเห็นอะไรชอบก็อยากจะได้ ไปซื้อมาซื้อมาแล้วก็เก็บไว้เอาไปไม่ได้วางไม่ได้ไปใช้ทำอะไรทำประโยชน์แล้วเงินทองก็จะไม่พอใช้เราก็ต้องไปหาเงินทองแล้วถ้าไม่ระวังก็จจะต้องไปทำบาปในการหาเงินทองไปโกหกบ้างไปโกงบ้างเพื่อให้ได้เงินได้ทองมา แล้วก็อาจจะต้องไปรับโทษจากการทําบาปไปโกงไปหลอกลวงเดี๋ยวก็มีปัญหาตามมานี่เป็นเพราะว่าเราไม่มีกำลังใจกันเราไม่มีกำลังใจสู้กับความอยากเราถูกความอยากหลอกให้เราลากให้เราไปแปงเด็ดเหนื่อย เราไม่ได้อะไรได้ความสุขเดี๋ยวเดียวความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวมานี่หายไปไหนหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจไหยความพอมีไหมไปเที่ยวมาแล้วพอไหมไม่ต่อไปนี้ไม่อยากไปเที่ยวแล้วมีไหมไม่แต่อยากจะไปเที่ยวเพิ่มขึ้นไปเรืเลยซื้อของมามากน้อยเพียงไรพอยังต้องต้องซื้อที่เก็บของเพิ่มเลย ต้องสร้างที่เก็บของเพิ่มซื้อตู้มาตู้เสื้อผ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช้ตู้เสื้อผ้าเลยเจ้าก็ใช้ห้องเลยห้องเสื้อผ้าไม่ดูแบบพระเนี่ยพระมีแค่สามผืนเนี่ยไม่ต้องมีที่เก็บเก็บมันอยู่กับที่ร่างกายเละไม่ต้องมีห้องเก็บเสื้อผ้าไม่ต้องมีตู้เสื้อผ้า พระพุทธเจ้าบอกให้ผ้าใช้ผ้าสามผืนก็พอผ้านุ่งผืนผ้าห่มผืนนึ่งแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวผ้าที่โยมเห็นผ้าผ้าผ้าอยู่บนไหล่ก็เรียกว่าผ้าผ้าห่มกันหนาวไม่ใช้เวลาหน้าหนาวเวลานอนแล้วมันหนาวก็ถ้าไม่หนาวมากก็ใช้ผ้าเนี้ยเวลานอนก็ใช้ผ้านี้หม่มผ้านใช้ได้หลายหลายแบบใช้เป็นเสื้อผ้าก็ได้ใช้เป็นผ้าห่มก็ได้ ใช้ออกงานก็นได้ไปได้ทุก ง, งานงานในวงังงานในบ้านไปได้หมดช่แล้วก็ไม่ต้องมีรองเท้าด้วยสบายไม่ต้องกังวลกับการซื้อรองเท้ามาส้าพระไม่ให้ใส่รองเท้ามัดีหมถ้าจะห้ามโยมไม่ใส่รองเท้าก็นั่งนะ ถ้าสังคมเราใส่เสื้อผ้าชุดเดียวกันได้ก็สบายนะไปได้ทุกงานในแบบพระเนี่ยมีชุดเดียวไปได้ทุกงานไปได้ทุกแห่งทุกคนจะได้ประหยัดเงินทองเยอะแยะประหยัดที่เก็บเสื้อผ้าประหยัดที่เก็บข้าวเก็บของเก็บรองเท้า นอกจากห้องเก็บเสื้อผ้ายังวไม่พอน้องห้องเก็บของเลยของใช้อะไรเต็มไปหมดเลยของใช้ไม่สอยขงองใชต้องใส่ตู้บางคนชอบซื้อรถก็ต้องมีโรงเก็บรถเองในเศรษฐีคนหนึ่งได้ข่าวมีรถเป็นร้อยคันเนี่ยต้องสร้างโกดังเก็บรถแล้วเป็นยังไงใจพอหรือไม่พอ ใจก็อยู่ไม่เป็นสุขให้นั่งเฉยๆสักชั่วโมงนั่งไม่ได้นั่งเฉยๆไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องเดินไม่ต้องอะไรนั่งไม่ได้ต้องมีอะไรทําบ้างทำอะไรดูก็ต้องฟังไม่มีฟังก็ต้องเดิมไม่เดิมก็ต้องกินไม่ก็ต้องคุยเนี่ยถือมือถือกันไม่คุยทำไมถ้าไม่คุยก็กดกันเดี๋ยวไม่เดินไปไหนก็กดกดกันเนี่ย ใจมันอยากมันดิ้นอยู่ตลอดเวลาดิ้นหาความสุขแต่ความสุขที่มันดิ้นหามันความสุขปลอมความสุขที่ทำให้ไม่อิ่มไม่พอความสุขที่ทำให้ต้องหาอยู่เรื่อยๆอแล้วพอหาไม่ได้ก็เสียใจถ้ามีคนขัดขวางก็โกรธถ้าต้องหาอะไร แล้วคนที่เขาจะหาให้เราก็ไม่หาให้เราเราก็โกรธเขาเสียใจแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้โอ้เราจะไม่โกรธใครเราจะไม่เสียใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรฟังก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรกินก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรดื่มถ้ายกเว้นน้ำเปล่าเดื่มน้ำเปล่าก็มีน้ำ่าเปล่าได้ดื่มได้ก็พอแล้ว ไม่ต้องมีน้ำชากาแฟน้ำเบียร์น้ำสุราน้ำอะไรต่างๆดมเนี่ยเพรเราไม่มีกําลังใจสู้กับความอยากของเราเราเลยเป็นทาสของความอยากถูกความอยากใช้อยู่ทุกวันใช้ให้ไปเอานั่นมาดื่มใช้เอานั่นไปมากินใช้ให้ไปซื้อนัใ้ใช้ไปซื้อนี่พอซื้อเสร็จแล้วก็ใช้ใไปใหม่อีกนะ ผ้าผ้าผืนนี้มีอยู่กี่ผืนเนี่ยผ้าห่มนี้ได้ผืนนี้นะเดี๋ยวก็อยากจะได้ผืนนู้นต่อเดี๋ยวไปที่ร้าน เ, า เ, าเห็นมีสีใหม่กนะมีดอกใหม่กนะใช้มันไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆพอไม่มีเงินซื้อก็งดหยิบแล้วก็ตรงทีต้องไปยืมกู้หนี้ยืมสินเขา พอเขาไม่ให้ยืมก็โกรธเขาอีกเสียเพื่อนเนี่ย <c oughs> ถ้าเราไม่ใช้งินได้ไม่เที่ยวได้โอ้สุขจะตายไปอยู่เฉยๆเนี่ยวันๆ น, นั่งเฉยๆสบายไม่มีใครมาสั่งให้ไปทำอะไรให้ไปซื้ออะไรให้ไปดูอะไรให้ไปฟังอะไร <c oughs> วิธีที่จะออกกําลังก็คือเนี่ยให้พุทโธพุทโธเวลาเราไปออกกําลังค้าเราวิ่งบนสายพานใ ช, ใช่ไหมความจริงเราก็ควรจะออกกําลังใจควบคู่ไปด้วยเวลาเราวิ่งออกกําลังกายเวลาวิ่งสายพานไปก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงว่าเดี๋ยววิ่งเสร็จแล้วจะไปกินที่ไหนดีออกกําลังกายแทบตายก็จะไปกินใหม่ พุทโธพุโทโธไว้หัดหัดท่องพุโทโธพุโทโธไว้แล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากเราก็ใช้พุโทโธสู้กมันได้มันอยากจะกินอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพอเราพุโทโธไปสักพักงนึ่งมันก็ลืมลืมเรื่องกินมันก็หายมันก็หายอยากความอยากมันเกิดจากความคิดของเราพอเราคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็อยากได้ลนะอยากทํำละ พอแล้วไม่คิดเรามันก็จะไม่อยากได้อยากทำเลยตอนนี้ใจเราไม่มีกำลังกันใจเราถูกความอยากถูกความโลภมันคอยอใช้เราผักเราดึงเราให้ไปทำอะไรต่างๆเวลาทาก็เหนื่อยก่อนจะทำก็ต้องเตรียมตัวต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องหาเงินหาทอง เพื่อที่จะได้ไปทําตามที่กิเลสมันสั่งให้เราทำพอทําเสร็จกลับมาหายไปหมดแล้วความสุขที่ได้จากการไปทํานี่หายไปหมดเนี่ยไปทําเพื่อระงับความหงุดหงิดเท่านั้นแ่ะอยู่เฉยๆอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรแล้วมันหงุดหงิดลาคาญใจเห <c oughs> มือนมีอะไรทิ่มแทงก้น <c oughs> อยู่ก็เป็นสุข <c oughs> ต้องไปทําอะไร <c oughs> พอกลับมาบ้านก็เจอ จะเข็มมือนเดิมมันก็ทิ่มแทงก้นเราอยู่อย่างนี้ยเราต้องนั่งให้มันทิ่มแทงจนกระทั่งมันชินเก่าคานถูกมันทิ่มแทงแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องไปทําอะไรเราใช้พุโทโธพุโทโธสู้กับมันเดี๋ยวไอ้ตัวที่มาทิ่มแทงใจเราเนี้จะหายไปหมดแล้วเราจะอยู่เฉยๆได้อย่างสบายมีความสุข ไม่ต้องไปดินน้นนนหาเงินหาทองมากจนเกินไปหาเท่าที่จำเป็นหาพอมาใช้กับสิ่งที่จะเป็นมาใช้จ่ายค่าอาหารค่ายารักษาโรคค่าน้ำค่าไฟเสื้อผ้าไม่ต้องไปหาแล้วเต็มแล้วในบ้านเต็มช่องใช้วใช้นหมด ช, ช้านี้ก็ไม่ใช้หมดแล้วเปล่าใช้มันขาดตอนหนึง่งถ้ามันขาดหมดแล้วค่อยไปซื้อใหม่ ถ้ามันยังไม่ขายก็ใช้มันไปเถอดเหมือนกันะก็เวลาซื้อมาใหม่ๆดีใจกับมันไม่ใช่เลยพอได้มันมาแล้วทำให้ไม่ดีใจกับมันต่อไม่ดีใจกับของที่อยู่ในร้านใชนะหมขาได้อยู่ในบ้านเราไม่ดีใจนะมันต่างกันตรงไหนมันก็เหมือนกันเนี้ยเวลาที่มันอยู่ในร้านก็อยากได้พอให้มันมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่เอาเป็นะก็เอาไปให้ร้านก็ไม่ไปขอแรง รากได้ก็ดีนะยัไม่ต้องเสียเงินนะขอรารุ่นใหม่รุ่นนี้เก่านะยวิธีไม่ต้อง้าก็คือเนี่ยใช้ของเก่าไปเถอะเวลาจะใช้อะไรโคดจ้าบอกให้ใช้ให้พิจารณาด้วยเหตุผลกันว่าเราใช้เพื่ออะไรเราใช้เสื้อผ้าเพื่ออะไรเพื่อผ้าเราใช้ใช้เพื่อปกปิดร่างกาย ไม่ให้มันเหมือนเดรัจฉานเราเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ที่ที่วิเศษกว่าสัตว์ดเดรัจฉานเราต้องมีการปกปิดร่างกายของเราแล้วก็ป้องกันภัยจากมาแมลงสว์กัดต่อยป้องกันภัยจาก อ, อากาศที่หนาวเย็นนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าะจะทำด้วยผ้า ชนิดไหนก็ไม่เป็นไรจะเป็นผ้าไหมเป็นผ้าแพะหรือเป็นผ้าฝ้ายจะผลิตมาจากประเทศไหนก็ไม่เป็นปัญหาเลยะจะใครเป็นคนออกแบบก็ไม่เป็นปัญหาเลยเป็นกุชชีหรือจะเป็นชาแน l มันก็เป็นผ้าเหมือนกันเันก็เสื้อผ้าเหมือนกันเครื่องนึ่งห่มเหมือนกันใส่เพื่อรักษาร่างกายพูังไง จะซื้อที่ตลาดนัดหรือไปซื้อที่พารากรหมันก็เหมือนกันซื้อพ า, ากรากรก็ชุดละหมื่นถ้าซื้อที่ตลาดนัดก็ชุดลาสองร้อย<ม>ก็ใส่ได้เหมือนกันสวยเหมือนกันคนสวยใส่ชุดไหนก็สวยคนไม่สสยคนไม่สวยใส่ชุดไหนมันก็ไม่สวยแล้วสวยก็มีสวยสองแบบ สวยกายกับสวยใจสวยใจนี่สามารถสวยใจนี่ดีกว่าสวยกายเพราะสวยกายนี่เป็นสวยปลอมสวยแท้คือสวยใจเวลาไปเจอคนที่สวยกายแต่ใจไม่สวยนี่ตอนต้นเจอใหม่ๆก็ชอบเขาพอได้รู้จักใจเขาแล้วนี้กลับไม่ชอบแล้ว ถาใจไม่สวยใจร้ายใจโหดใจเหี้ยมใจใจอ ะ, อะไรเลวทรามพูดง่ายใจเอารัดเอาเปรียบอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยถึงแม้ใจะให้สวยอย่างไรก็ตา่างหอ่อยอย่างไรก็ตา่างพอใจไม่สวยแล้วก็ไม่มีความหมายอะไร ก็เลาได้คนที่ยังไม่รู้จักกันเลโด้วยการเสริมความงามของทางร่างกายเสริมเเผาเสริมแต่งเผผวแต่งผมแต่งหน้าทาปากเสื้อผ้าที่วิจิตพิสดารสีสดใสรองท้องรองเท้ากระเป๋งกระเป๋าเวลาคนที่เขาไม่รู้จักเห็นหน้าเขาก็ตื่นเต้นตื่ น, ต, นตากัน อยากจะใกล้ชิดอยากจะรู้จักพอรู้จักแล้วกลายเป็นโกยคนชอบโกหกชอบกมยชอบไปยุ่งกับสามีภรรยาของชาวบ้านของเ้าพอรู้ว่าเป็นใจแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากจะคบคาสมาคมด้วยถ้าอยากจะเสริมความงามเสริมให้เรามาเสริมที่ใจดีกว่าเราไม่ต้องเสียเงินเหมือนกับเ ส, เสริมความงามที่ร่างกายนี่ต้องเสียเงินเสียทอง เสริมความงานที่ใจนี้รักษาศีล์ห้าไปแค่นี้ก็สวยแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่หลอกลวงไม่ดื่มสุรายามเมากลายเป็นคนสวยงามไปอยู่กับใครที่ไหนไม่มีใครก็รังเกียจมีแต่คนรักคนชอบเวลาเราจะจ้างคนมาทํา ง, งานกับเราเราเราจะดูที่ทีใจเขาแล้วดูที่กายเขา ถ้าเขามาทํางานแล้วมาขโมยของในบ้านเราเราอยากจะจ้างเขาไหถ้าเราถ้าเราเผลอเขาฆ่าเราเนี้ยหรือไปนอนกับสามีหรือภรรยาเราเนี้ยเราก็จะไม่อยากได้คนอย่างนั้นอันนี้ก็เรื่องของเสื้อผ้าโดยลามไปถึงเสื้อผ้าของใจเสื้อผ้าของร่างกายก็ไม่ต้องไม่ต้องให้มันหรูหรา วิจิตพิสดารพอให้มันทำหน้าทำหน้าที่ของมันได้ก็พอประหยัดเงินดีกวเก็บเงินไว้ซื้อของที่จําเป็นดีกวเงินทองหายากจะใช้ง่ายหามาเดือนหนึ่งใช้วันเดียวก็หมดนะ <c oughs> ถ้าเรารู้จักหักข้ามใจได้ถ้าเรามีกําลังใจสู้กับความอยากได้โอเราจะเป็นเศรษฐีกันทุกคน เงินจะเหลือใช้จะพอใช้แล้วก็จะมีเงินมาสร้างความสวยงามทางใจวิธีสร้างสวยงามความใจทางเจ้าของทางใจด้วยเงินทางทางไหน ก, ไ ก, ก็ไปแจกก็ได้ไปแจกเงินเนี่ยมีแต่คนนักเราเทา่านั้นไปที่ไหน <S <S โอ๋พี่มาแล้วเหลอพี่เชิญนั่งต้อไปขอเงเงินนี้ไปไหนมันก็ไม่มีใครก็ ถ้าเราสู้ความอยากได้เราจะมีเงินเหลือมีเงินไปซื้อมิตรภาพมีเงินไปไปขายความงามของเราไปไหนใจจากเงินไปเนี่ยมีแต่คนเขาลกคนก็ชอบเราไม่มีใครเขาโกรธเกลียดเราไม่มีใครเขารังเกียจเนี่ยประโยชน์จากการมีมีกาลังใจมีกําลังใจชนะความอยากแล้วสบายแล้ า, าต้องมา สร้างกำลังใจควบคู่กับออ ก, กำลังกายกำลังกายก็สำคัญร่างกายก็ต้องออกกำลังกายแต่เราสามารถทำไปพร้อมกันได้เวลาออกกำลังกายเวลาทำโยคะเวลาอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปเวลาเดินสายพานยกน้ำหนักอะไรก็วาแล้วแต่ทำไปก็พุโทโธพุโทโธไปพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองไปพุโทโธสาพุโทโธสี่ไปอย่าคิดอะไร แล้วต่อไปเราจะใช้พุโทโธหยุดความอยากได้เวลาเวลาว่างไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งเฉยๆนั่งแล้วให้มันมีความสุขนั่งแล้วก็พุโทโธพุธโทโธไปถ้าพุโทโธไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวใจก็ตกลุมตกบ่อเพราะตกลุมตกบ่ อ, อ, ลบอแล้วก็สบายบ่ออันวิเศษบ่อนี่เรียกว่าสมาธิ เวลาใจตกหลุมตกบ่อนี้แสดงว่าใจเข้าสู่สมาธิวุบลงไปแล้วก็นิ่งเบา อ, อกเบาใจสบายใจไม่เคยพบคากับความสุขแบบนี้เลยความสุขอันวิเศษอยู่ที่ในบ่อของสมาธินี่อยู่ในหลุมในบ่อของใจเราใช้พุทโธดันมันเข้าไปผักมันเข้าไปใจเราเหมือนลูกกอล์ฟเนี่ย จะตีให้มันลงหลุมได้ก็ต้องตีมันไปเรื่อยๆตีมันไปเรื่อยๆนะเขาตีก็ถ้าเขายังมันยังไม่ลงหลุมเขาก็ไม่หยุดตีนะเขาต้องตะต้ตอนมันเข้าไปต้อนมันเข้าไปพอมันเข้าไปหลงหลุมแล้วมันก็ไม่กิ้งไปไหนแล้วใจเราพอเข้าสู่สมาธิแล้วมันก็จะหายอยากหมดเลยความอยากต่างๆหายไปหมดความอิ่มก็โผล่ขึ้นมาความสบายใจความปิติ อิมเอิบใจสุขใจนี่โผลขึ้นมาหมดอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาไม่ว้าเหวไม่หงดกิดไม่ลำคาญใจไม่มีอะไรจะทำก็ไม่วุ่นวายไม่มีอะไรจะดูไม่มีอะไรจะฟังก็ไม่เดือดร้อนนี่นะกำลังใจถ้าเราได้ถึงจุดนั้นแล้วสบายพูดได้คำเดียวว่าสบายอย่างในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐี ไปบวชเป็นพระแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมไปพุทโธพุทโธจนทําใจให้สงบได้พอสงบแล้วแกชอบไปไหนก็ร้องอุทานว่สุขหนอสุขหนอสุขหน อ, หนอ mm hmm. พระไม่รู้ก็คิดว่าแกไม่มีสติเสียสติก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้ามาพระองค์นี้ไม่สำรวมเลยไปไหนก็สุขหนอสุขหนอา mm hmm. เจ้าก็เรียกมาสอบว่าทำไม เจอถึงสุกเนาะสุกเนาะเอาวะสมัยผมเป็นเศรษฐีผมมีเงินเงินทองซื้อความสุขต่างๆได้ก็ไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลยพอผมมาบวชแล้วผมมาพุโทโธพุโทโธทําใจให้สงบได้ผมเจอไอ้สุกเนาะนี่มันเลยอดไม่ได้ก็เลยต้องสุดไปไหนก็บ่นว่าสุกเนาะสุกเนาะพระเจ้าออกนี่ไม่เป็นไรโชค เอาจริงๆนะนี่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกเออศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีวันเจอสุขแบบนี้เงินทองร้อยล้านพันล้านก็ซื้อความสุขแบบนี้ไม่ได้เอาไม่เชื่อลองดูเนี่ยให้ไปเที่ยวรอบโลกเลยไปจองตั๋วเลือกเครื่องบินแบบชั้นหนึ่งมีที่นอนมีที่กินแล้วจองโรงแรมห้าดาวแล้วก็มีทัวร์ห้าดาวไปทุกเมืองเลยไปเมืองไหนไปเลยเอ ไปเที่ยวกินเนี่เดือดให้พอมันก็เท่านั้นแหละสู้อยู่บ้านไม่ได้บางทีนอนอยู่บ้านนอนสบายกว่านอนบนเครื่องบินทํำไมต้องไปเสียเงินเป็นหมือนไปนอนนอนที่บ้าเราไม่ต้องเสียเงนก็ไนนม่นอนเนี่ยมันโง่แล้วชา่างน่เพราะความอยากไงมันหลอกนะว่าต้องไปเที่ยวจะไปเที่ยวก็ต้องเที่ยวแบบสบายต้องนอนเหมือนนอนที่อยู่บ้าน นอนบ้านไม่ต้องเสียตังค์แต่นอน น, อ น, นเครื่องนี่เสียเป็นหมื่นเนี่ยตัวชั้นหนึ่งเนี่ยชั้นที่พิเศษเนี่ยไม่ใช่ชั้นหนึ่งอะไรนี่ยก็เลยมีชั้นพิเศ ษ, เเศษอ่าที่เป็นเหมือนเป็นห้องนอนเลยอ่าอ อ, เ, อ, อ, อ, อเป็นแบบที่ไอ้เครื่องใบไอ้เครื่อง a อสามหกูนนั่นอ่ะ เ, เราก็ไปมาแล้วเราไปทาง y o u t u ู e <laughs> เราก็ไปดูมาแล้วดูทางยู u b e มีเตียงมีแชมเปญมีอะไรทุกอย่างเข้ามาก็เท่านั้นแหละเป็นเหมือนบ้านเราดีๆทําไมต้องไปเสียอยู่บ้านเราก็ได้ต้องซื้อเครื่องบินไปแล้วค่ะต้องซื้อเค่องบินเนี่ยแล้วก็ต้องนำต้องมาจ้างเขาขับอยต้องเสียการดำเนีน เนี่ยยิ่งงยิ่งรวยยิ่งโง่ยิงยงงย่งจนยิ่งฉลาดเนี่ยขอทานมันฉลาดจะทานปัญหาที่นอนใต้สะพานก็นอนได้ใต้ต้นไม้มก็นอนได้ <c oughs> ก็นี่แหละ <c oughs> เรื่องของความอยากมันทำให้เรา ถ้าเรามาออกกำลังได้ออกกำลังใจได้ทำใจให้สงบได้ทำใจให้สุขหนอได้แล้วทีนี้รับรองได้ว่าสบายไม่ต้องมีอะไรมีเสื้อผ้าสองสามชุดก็พอ <c oughs> ชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักอีกชุดหนึ่งไว้สำรองแค่นี้ก็พอนะมีสามชุด <c oughs> <c oughs> เราไม่ต้องไปงานไหนล้ว อ, อยู่บ้านไปทำไมไปให้เหนื่อยกว่าอยู่บ้านสบายกว่า <c oughs> ถ้าไม่มีความอยากแล้วไม่อยากจะออกไปนอกบ้านอ่ะไปแล้วเหนื่อยต้องแต่งเนื่อแต่งตัวอต้องนั่งรถเดินทางแล้วก็ไปนั่งติดอยู่บนท้องถนนแล้วก็ไปเครียดกับคนขับรถบนท้องถนนด่ามันไปด่ากันมาไอ้หายเบียดซ้ายเบียดขวาอะไรขอมันก็ไม่รู้เ <c oughs> ต็ไมไปหมด <c oughs> แล้วเวลาไปงานก็ไปยิ้มยากอยากคิว้ว <c oughs> ยิ <c> ้ม <oughs> หลอกกันไปหลอกกันมาเราเดี๋ยวเสร็จก็กลับบ้านอยากจะกลับบ้านนะ่พอไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็อยากจะกลับบ้านนะแต่อยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้อยู่บ้านก็อยากออกแล้วไ็่อยากจะกลับเน <c oughs> ใจมันอย่างเงี้ยมันชอบหลอกเราให้เราวิ่งตะคุ้งเงาเราอยู่เรื่อย <c oughs> เราวิ่งตะคุ้งเงาเราได้นะั้ยจับเงาเราได้ไนหะ มันอยู่ข้างหน้าเราอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยพอเราจะไปหามันมันก็หนีเราไปตรงนั้นละ <c oughs> ความอยากก็เหมือนกันพอทำตามความอยากคิดว่ามันจะหมดที่ไหนได้โผล่มาใหม่อีกละทำอันนี้เสร็จอยากได้อยากอยากทำอย่างนุ้นต่อลวอยากไม่ได้เรื่อยแล้วพอไม่ได้ทำเป็นยังงั้นหดเหยีดลาคาญใจ อ, อันนี้แหละเพราะเราไม่มีกำลังเราไม่ออกกำลังใจกันเราไม่พูดโทกัน หัดพุโทโธหัดสวดมนต์กันแล้วเราจะมีกำลังใจสู้กับความอยากเวลาอยากก็พุโทโธพุธโทโธไปสวดอิติปิโสร้อยจบไปสวดไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมความอยากจะไปทำนู่นทำนี้ก็หายไปแล้วก็อยู่เฉยๆได้สุขน้อได้มีความสุขได้ไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องร่าไม่ต้องรวย เงินทางไม่ได้ทําให้มันสุขหนอทําให้ทุกหนอมากกว่าดัง น, นสิ่งที่เราขาดกันก็คือกำลังใจเรารู้จักวิธีออกกำลังกายแต่เรายังไม่รู้จักวิธีออกกำลังใจวิธีออกกำลังใจนี่ง่ายกว่าออกกำลังกายไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ต้องไปที่สถานที่เนี่ยไม่ต้องเสียค่าสมาชิกเสียค่าอะไร ขออยู่บ้านเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วก็พุโทโธไปนเองตอนตอ้นอยังนั่งเฉยๆไม่ได้ก็ทําอะไรไปในบ้านแล้วก็พุโทโธไปอยู่บ้านก็กวาดบ้านถูบ้านนั่งก็ได้ซักผ้าซัากผ่อนทำอะไรงานทํางานในบ้านคนบางคนนี่ชอบออกนอกบ้านแต่บ้านนี่ดูไม่ได้ลกลุงรังเ ป, เ, เป็นเหมือนล็อเป็นเหมือนรังหนู เป็นที่หลับนอนทห้นเ่งพาะไม่มีเวลาอยู่บ้านเพราะไม่อยากจะอยู่บ้านอยากจะออกจากบ้านกันเดี๋ยไม่มีเวลาที่จะดูแลบ้านเดี๋ยวลองหัดดูลองหัดออกกำลังใจดูแล้วจะอยู่บ้านได้เราจะมีความสุขกับการอยู่บ้านทางานบ้าน บ้านก็จะสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่น่าดูเราก็จะมีความสุขเงินทองก็ไม่ต้องไปหามามากเงินทองจะพอมีพอใช้ไปจนวันตายเพราะไม่ได้ใช้มากถ้าใช้แต่เฉพาะของจำเป็น เดี๋ยวจะให้พรกันเงี้ยยะทาวเรกวาหาปุราปาริกปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกัรปฏิอิทีิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปณะราโสยะธาเมณิโจติราโสยะธาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะาอภิวาธนศีริตสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐนติ อายุวันูสุขังพลรังกาอยากจะกลับก็กลับได้การอยากจะเข้ามาถ่ายเท่าของเนืมารับหนังสือก็เข้ามาได้ตอนนี้พักยกชกมาเหนื่อยเนี่ยจากก็หนังสือเนี่ยหนังสือห ย, ย, ยุดความอยากกันเนี่ยออมีแต่เรื่องหยุดความอยากกันเนี่ย เอาไปได้ทุกเล่มเลยอยากจะได้ก็ไปซีดีก็ไปเปิดฟังได้เนี่ยซีดีก็ที่อัดเสียงที่พูดอยู่เนี่ยก็อัดไว้แล้วก็ใส่เป็นแผ่นซีดีอยากจะออกกาลังอยากจะลดน้ําหนักโดยไม่ต้องออกกําลังกายก็อ่อย ก, กําลังใจเนี่ยกินมื้อเดียวดเลยก็ไม่กี่วันมันก็ลดแล้วนะ คนมาบวชนี่เดหนึ่งพันสานลดไปสิโลเนี่ยสามเดือนอิ่มใจนาอิ่มใจพอสุกเนาะสุกเน้ะมันก็ไม่หิวข้าวนะกินมื้อเดียวก็อยู่ได้เป็นยังไงหายหน้าหายตาไปไหนมาหายห้าายไปไหนไปเก็บตัวตามที่พ่อจารย์สั่งเก็บตัวเข้าห้องไปดีไหมแต่ตอนนี้เล่นบกทีวีเลยไม่แค่ส่งกันบ้านกัน ไม่เว้นไล่คนอื่นเป็นวิทยาทานไปเป็นธรรมทานไปเอาหเอาไส่งไปไเก็บตัวอปไปอไเงไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ถอยข้องให้เสร็จก่อนไปอยู่กับเขาทำไมไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อย ไปยุ่งกับเขาทำไมเลชามันดูฟุ้นบอลเจ็ดตามมันดูฟุ้นบอลนะคือตอนนี้ตามดูเรื่องของนักวิชาการทั้งหลายทั้งศาสนาออกมาแก้ต่านครับจะดูว่าพงกมีแถได้ดีแค่ไหนอแถก็ทั้งนั้นเลยครับไม่รู้ของจริงสักอันแต่ตอนนี้ดีสายปากไม่ออกมายุ่งเลยสายปากเงียบสนิทส่วนให่เป็นพวกนักวิชาการทางดนน้นก็ออกมาอย่างยังไอ อ, อยากจะมีอะไรมารายงานก็ได้นะทำ ม, ม, า ม, าามาใกล้ๆหน่อยจะได้ก็เมื่อสองปีน่าจะถึงสองปี น, นะคะที่อาจารย์ให้การบ้านไปะนะดูแลน้าที่เป็นาอาใไ่เมอระคะ่ะที่จะกระทบอยู่ทุกวันอืเราจะปฏิบัติยังไงดีพระอาจารย์ก็เลยให้บุบายว่าก็หาห้องเข้าไปปฏิบัติ นะคะว่าอยู่เงียบไม่ได้ค่ะพูดโพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนหลังนี่ก็พยายามให้มากขึ้นก็ใช้วิธีการแบบว่าเจริญสติให้มากขึ้นคืออยู่กับความรู้สึกตัวให้มากขึ้นกากับอยู่กับจิตเราแต่ว่าบางครั้งมันก็ยังทำได้ที่บางครั้งเราก็จะทำไม่ได้เราก็จะเห็นกิเลสที่เราออกไป ยึดในความที่เราไม่พอใจในสิ่งที่เขาทํางอย่างค่ะก็ดึงกลับหยุดมันสิก็พูดโทหยุดมันค่ะเอก็จะใช้วิธีบางวันที่เรามีปัญญาที่พิจารณาว่าจริงๆมันอยู่ที่ความคิดของเราอืถ้าเราพิจารณาได้ทันมันมันก็ปล่อยได้ได้มันก็ปล่อยได้อแต่ยังขาดอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องสมาธิอาจจะยังไม่ตั้งมั่นเท่าที่ควรนะคะยังทำตรงนี้ยางได้ไม่ดีมีท่านนี้หละ ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงออมันก็ก็ดีกว่าเก่าไดีกว่าเก่าไหมก็คิดว่าดีกว่าเก่าแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าขึ้นอย่างที่ที่คิดว่ามันมันวางได้ปล่อยได้ปล่อยความยึดได้อะไรอย่างนี้คมันก็ต้องไปอยู่คนเดียวนะครับก็แอบไปอยู่คนเดียวบ้างบางที่แต่ก็กลับมาก็ายังต้องวน อ, อยู่กับอี้ครับมันก็ยังไม่รอดนะครับยังกระทบแรงแล้วเขาตั้งมันอีกก็เวลาไปแล้วกลับมาเราต้องสมมติว่าเรา เราเรายังอยู่ที่นั่นเรายังเรากลับมาแต่กายแต่ใจเราอยู่ที่นั่นต่ อ, อใจยังอยู่ภวานาก่อห้องเก็บอยู่อ่าแล้วก็ที่นี่จะเป็นไงก็ช่างหัวมัน <c oughs> ยีใจยังไงก็เรื่องของไอ้สมัยที่เราอยู่ที่นั่นเราก็ไม่สนใจว่าอีจะเป็นยังไง <c oughs> พอมาเห็นหน่อยก็เลยทําทําใจไม่ได้ <c oughs> อข้าใจนะอย่างนั้นกลางกายจะอยู่กับเขาแต่ใจเราอย่าไปอยู่กับเขา ใจเราอยู่ที่ความสงบ อ, อยู่ที่อเบะขาอยู่ที่เฉยๆบางทีต้องไปอยู่คนเดียวมันถึงจะเฉยได้พอเฉยแล้วเวลากลับมาก็เอาความเฉยนั้นกลับมาด้วยเจออีก็เฉยอีจะงองแงอีจะทําอะไรก็เรื่องของอีเรามีหน้าที่ของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปจะกินก็กินไม่กินก็ไม่กิน อเราไม่น้าที่หาอะไรมาเขากินก็หามาเขาจะกินก็กินไม่กินก็โยนทิ้งไปเลยเก็บไว้เอามาเอามากินใหม่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาชีวิตของเขาเขาจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขา้ออการจะถามพระเจ้าอย่างไรแล้วว่าจะห่วงพร้อมกันว่าจะเอาอี้เป็นตัวพิจนราอย่างไงให้คลายทุกได้ในเมื่อตัวตัวก่อทุกข์เอาตัวนี้แหละพิจารณาไปเลยใช่ก็เลยว่า อีเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กทารกก็เลี้ยงไปเหมือนเด็กทารกมันก็งอแงมันก็อะไรของมันไปตามภาษาของมันเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเรามีหน้าที่เลี้ยงเลี้ยงเขาก็พอเลี้ยงดูเขานอกนั้นเขาอยากจะทําอะไรก็เรื่องของเขาบางครั้งก็คิดเหมือนกันว่าเออเราได้บุญหรือได้บาปกันแน่บางครั้งมันพอมันแบบเขาทําแบบเราบอกไม่ให้ทําตรงนี้เขาก็จะทํำในสิ่งตรงข้ามที่เราบอกมันก็เลยทําให้เราแบบ ก็ปล่อยเ็าทำไปสิไม่อยากทาอะไรก็เรื่องของเขาตอนนี้เราอยู่ที่นี่เขาทาอะไรเราไปเห็นหรือเปล่าทำไมเราไม่เดือดร้อนอะนนี่จะต้องใจหลักในการพิจารณาเอเออเรื่องของเขาคุณแม่มาจากที่ไหนชีสเกตเป็นวาดหรือเป็นสันนัก เป็นสำนักปฏิบัติค่ะจยานทำดงยางตำบลผีพีเป็นที่เป็นที่อยู่ของแม่แชีหรือว่าเป็นพระกับแม่ชีค่ะพระสารเจริญอารมณค่ะที่ตอนนี้ท่านเดินธุดงล่าสุดกับทธรยาญาติแล้วมีที่พักให้แม่ชีพักเยอะไหมมีค่ะอแต่แต่ของแม่ชีสร้างกุฏิถาวรค่แล้วแล้วก็อาศัยอยู่ที่เจ้าค่ะท่านอนุญาตให้สร้างได้ เอ่มีไม่ชี้ใช่ไหมเหตุสถานะจะประมาณสามสิบกว่าท่านสามสิบกว่าท่านยังเพิ่มได้ที่สงบนะยังพรรษาที่แล้วแปดสิบกว่าค่ะไม่ชีเลยแล้วเราก็สืบออกไปแล้วจ้ะแบบกรนหัวอะไรเด้อเดี๋ยวท่านมาบวชอียค่ะอือตอนนี้มียาตโยมที่เข้ามาฟังเทศฟังธรรมที่นี่แล้วเขาอยากจะหาที่ไปปฏิบัติไปบวชกัน ก็เราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนก็อะไร <c oughs> พอได้เห็นแม่ชีมาก็เลยถาม ด, ดูก็เป็นสถานที่สงบแล้วก็ห่างไกลความเชิงมากเลยค่ะห่าจากซีสเกต59กิโลค่ะอไม่มีอะไรเลยก็กเรียกว่าเสิงมเม่งอำนวยความสะดวกน้ําไฟมีไหมมี <c oughs> มี <c oughs> มีแต่อย่างอื่นไม่มีทีวีวิทยุอะไรีก็ โทรศัพท์ตางต่าอย่างดีแท้เอเอสับไม่ได้ค่ะอ๋อไม่มีสัญญาณต้องเป็นทูอย่างเดียวอ๋อแล้วก็รถก็ไม่มีจ้ะค่ะไกลพอสุดเลยเพราะอยู่ในท้องนาแล้วก็เป็นป่ายางนั้นเลยค่ะอาหารการกินนี่ทำยังไงอาหารก็จะเป็นอาหารอีสานค่ะทำเองแล้วว่าอาหารทองวัดดีที่ลงอ่ะลงลงลงทัวน่ะลงทค่ะลัวค่ะก็เป็นแม่ทัวของวัด จะเน้นหลักไปทางอาหารมีสารเยอะค่ะอ่อแต่ทุกคนก็ไปรับประทานที่ลองทานได้ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารฉันมื้อเดียวค่ะสิบโมงประมาณเก้ามูงถึงสิบืมงฉันที่สาราหรือไม่ก็บางวานันพราสาอนุญาตให้กลับไปฉันที่กุฏิค่ะอ่าแล้วมีกิจวัตรอะไรประจำวันบ้าง ก็ช่วงบ่ายสองโมงปฏิบัติถึงสี่โมงสี่โมงคึ่งแล้วก็เต็นอิริยาบทประมาณห้าห้าโมงครึ่นหกโมงกลับไที่ศาลาค่ะนั่งสมาธิถึงหกโมงคึ่งแล้วก็ทำวัดค่ะทำวัดถึงทุ่มครึ่งปกติถ้าพระอาจารย์ไม่ได้ไปอิอนเดียหรือว่าไปต่างประเทศท่านก็จะเทศค่ะตั้งแต่สองทุ่มถึงประมาณสี่ทุ่มถ้าช่วงเข้าพรษา ก, ก็ สองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะต้อจะปฏิบัติทั้งทั้งทีอันนี้ปฏิบัติพร้อมกันค่มทั้งพระทั้งแม่ชีใช่ค่ะร้อยพระพรรษาที่แล้วห้าสิบกว่ารูปค่ะแล้วแม่ชีก็แปดสิบกว่าร้อยกว่าชีวิตอปฏิบัติที่ศาลากันนี้นะค่ะก็จะอยู่ฝั่งเลยแม่ชีก็จะอยู่ฝั่งเลยแล้วสี่ทุ่ม ก็กลับไปพักผ่อนหลับนอนแล้วให้ลุกขึ้นมากี่โมงตีสอครึ่งสองีสองค่ละทีค่ะสองครั่งลงตีก็ไปที่ศาลานั่งสมาธิถึงตีสี่ครึ่งก็ทำวัสวดมนต์เย็นทำวัดถึงตห้าครึ่งเสร็จแล้วก็กลับตุติแล้วก็มาที่ศาลาอีกรอบหนึ่งแปดโมงเช้อก็ วันๆันนี้ก็มีกิจกรรมตลอดเวลาล้วมีการงานที่ต้องรวบรันทําบั่งหรือเปล่ามีมีค่ะก็มีของวัดก็ไปช่วยแล้วแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรเนี้ยค่ะอย่างช่วงอช่วงช่วงนี้ก็จะมีเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมมีงานปริว่าค่ะทางสานก็จะใช้ฟางฟางคือไปเกี่ยวไปเก็บมาจากท้องหน้าอืม แม่ชีก็จะไปช่วยเขาด้วยก็เปลี่ยนชุดเป็นอีกแบบหนึ่งก็ไปช่วยเก็บฟางแล้วก็ใส่ขึ้นรถแล้วก็เอารถที่วัดแล้วก็ขึ้นไปเหยียบให้เป็นเป็นแับกองตกสูงอะค่ะเพื่อที่จะมาใช้งานงานปริวาสเดืนกระกตานเอาไปใช้อายรฟางปูพื้นจะปูพื้นทางไทยศาสร์ให้ผ้ามานอนค่ะปูพื้นผ้ามานอนแล้วก็จะเป็นลานทาอำเพราะว่าเวลาเข้าปริวาสของทางอีสานจะ ไม่มีหลังคาจะเป็นที่ที่โล่งแจ้งค่ะถ้าฝนตกก็เปียกเปียกเจ้าค่ะปีที่แล้วก็มีแต่เปียกก็ไม่ลุกค่ะเพราะว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็สิ่งท่านไม่ได้ทำอะไรให้เราแบบอืแล้วดีไหมทางจิตใจไปอยู่มาเจ้าค่ะโกรธมานานแล้วยังอปีที่แล้วจ้ะค่ะเพิ่ทวันพฤหัสแล้ว เันกรกฎาคมที่เจ็กรกฎาคมบวชที่ประเทศอินเดียค่ะบวชที่พุทธคยาปีนี้ก็มีจัดการให้ีกไวยเผื่อมีญาติพีองขัปีนี้พาซารจารันจัดจัดไปบวชอีกค่ะถ้าคนนึ่มีเงินไปในบวชที่อื่นได้ไหมเรียกว่าได้ค่ะบวชที่วัดก็ได้เจ้าค่ะเพราะเดี๋ยวคนคิดว่าต้องไปไปบวชที่อินเดียกันบางคนจะไม่มีปัจจัย่าตัว็จานอ คนที่ไม่มีปัจจัยนี่ที่ว่าอยู่อยู่ที่วัดได้ไหมได้ได้ทุกวันนี้ก็ก็มีอยู่บางทีบางคนก็ไม่มีฐานะเหมือนกันบางคนก็มีฐานะบางคนก็ไม่มีฐานะใช่เจ้ค่ะแต่ก็อยู่ได้อยู่ได้เขาก็ช่วยงานวัดทุกอย่างมีอะไรก็ช่วยก็จายอาหารที่ลงทานใช่สภาะค่ะทุกคนก็ต้องไปรับประทานอาหารที่ลงทานใช่เจ้ค่ะก็ที่นั่นก็ความเป็นอยู่แบบว่า ง่ายเรียบง่ายกิน ง, ง่ายนอนง่ายแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่เรียบง่ายด้วยอ่าดีแล้วท่านเน้นสอนทางทางไหนอ่าเจริญอาณาปณะอาณาปณะสติดูลมหายใจดูลมหายใ จ, ลยใจแล้วช่วงที่ไม่ได้นั่งให้ให้จะใ ห, ให้ให้ดูอะไรหรือเปล่าก็ดูกายดูใจดูกายดูใจ <c oughs> ดูการเคลื่อนไหวอุรยาบทสี่ใช่สิปะก้าวน้อยว่างน้ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ แต่ให้รู้ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ใใช่ค่ะเดี๋ยวสอนทางปัญญามัาง้งวะป ะ, ะสอนทางด้านปัญญาบ้างหรือเปล่าสอนค่ ะ, คะของพระอาจารย์เจรัญท่านท่านก็จะเน้นแบบหลากหลายค่ะท่านท่านไม่ได้ติกว่าจะต้องแบบแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันกันแบบว่าคือใครเข้ามาก็ได้ยุบหน่อกองหนอก็ได้พุทโธก็ได้อะไรได้หมดแล้ว แล้วแต่แบบถนัดแล้วแต่ลมหายใจเพราะว่าถ้าท่านไ่กําหนดปุ๊บเนี่ยบางคนอ่ายุบหนอ่อ้องหนองไม่ได้คือลมหายใจไม่ได้เขาก็จะอึดอัดใจเขาก็จะอยู่ไม่ได้่าวตามอัธยาศัยค่ะเพียงแต่ท่านจะาให้ทุกคนเนี่ยได้ได้ได้เข้าหาอ่าได้เข้ามาทางพระพุทธทางศาสนาค่ะได้มีที่ลมพักใจจริงๆพราะว่ากายพักที่ไหนก็ได้ค่ะแต่เวลาที่คิดใจค่ะ แล้วที่พั้งนี้แต่ละคนมีของตนเองหรือว่าพักรวมกันบ้างพักรวมกันพักรวมเรพาะคนที่มีอที่จะจะปลูกที่อยู่ได้ก็ปลูกได้ถ้าไม่มีก็อยู่ศาลาศาลานี่มีก้านห้องอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีก็เปิดโล่งๆก็ศาลาที่พักใช่ไหมคะกการสนก็จะมี จะมีศาลาที่พักพักรวมกันด้วยค่ะรวมรวมกันแล้วก็มีรวมรวมหกคนอะไรประมาณเนี้ยนี่ไม่ใช่ผู้ผู้ที่อยู่ประจำนะใช่จ้ะผู้ที่อยู่ชั่วคราวก็มีเหมือนกันอยู่รวมกันระหว่างรือยแยกกันรวมรวมกันนอกจากเจ้าของกรุดที่เขาเขาไม่ได้กลับไปค่ะคือเขาปลูกปลูกไว้แล้วเขาก็ถวายวัดแล้วทางทางวัดก็จะพิจารณาว่าโอเคได้ จะมีพักอยที่นี่นะตรงนี้นะคะแล้วมีบวชประจํากับบวชชั่วคราวเยอะไหมบวชชั่วคราวก็ประมาณช่วงเข้าเป็นสาวสามเดือนแล้วก็เสึกออกเปอีกแล้วอ่าแล้วช่วงที่ไปเฉพาะสาวทิตย์อะไรมีนะมั่งไหมมีอ่ามีเหมือนกันอะช่วงสามวันสี่วันห้าวันนี้ เพราะว่าอย่างภาษาที่จะถึงนี่พระอาจารย์จรก็จะเน้นว่าจะไม่ไม่ไม่บวชให้ก่อนจะให้ปฏิบัติอยู่ที่วัดก่อนสักเดือนสองเดือนคือดูว่าคุณพร้อมจริงจริงหรือเปล่าคือการที่ปองผมบวชทีเนี่ยใครก็บวชได้พอบวชเข้ามาแล้วที่ทำได้อก็ยังมีความตัวตนทางโลกคือทุกอย่างทางโลกหมดเลยแค่ไม่มีผมแล้วพอมีปัญหา ตรงนี้ท่านก็อยากอยากจะเออเคว่าให้พิจารณาก่อนนะให้ตัดสินใจดีๆประมาณนี้ค่ะนอกจากสีแปดแล้วต้องให้ถือสีอะไรเพิ่มไหมปะไม่ไม่ถือสีแปดนี่ก็พอนะคืะแค่สีแปดก็ทําให้บริสุทก็การพอสมควรแล้วนะยากมากไม่อยากเป็นพิชซูนี้ออ่ืเพราะว่า ถ้าถ้าได้เกิดในสมัยพุทธกาลก็อาจจะเคยเป็นแล้วเจ้ค่ะก็แค่นี้ก็พอแล้วเจ้ค่ะอได้ได้อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคมีมีความสุขกับชีวิตตรงนี้ค่ะมีความสุขตัดสินใจถูกแล้วไม่คิดอยากจะกลับไปทางเดิมใช่จะกลับเคยมาที่นี่น่าจะสองสามปีแล้วค่ะแล้วก็ได้มาฟังคาของท่าอาจารย์นั่งอยู่อรงนอ่า จำหน้าไม่ได้เพราะตอนนี้มีผมตอนนี้ไม่มีผมแล้วเราจะเป็นคนที่แต่งมากเข้มมากอพอวันหนึ่งบวชนี้ทุกคนก็แบบต่างใจไม่คิดไม่ถึงคิดไม่ถึงเราก็คิดว่าอยู่ไม่ได้ด้วยค่ะเพอเป็นคนติดสุกทั้งโลกมากค่ะติดสุกติดแบรนด์เนมทุกอย่างที่พระอาจารย์เทศน์นี่ตรงมากตรงค่ะออกกำลังกายคิด เดี๋วออกเสร็จแล้วจะไปทานอะไรดีเอะชุดออกกำลงกายต้องมปซื้อที่เซ็นท่าลลาดเท้าทุกอย่างกระเป๋าหลุยส์แชนแนลนี่แบะว่าทุกอย่าง ค, คือผ่านมาหมดแล้วเครื่องบินเฟิร์สคลาสที่ชานเทนเมื่อกิจนั่งเหมือนแล้วจะขับไปที่ปุ่นเหมือนที่ฟ้าสารเทพทุกอย่างเลยค่ะทำมาหมดแล้วทุกอย่างคือทํานมามันก็เท่านั้นผ่านไปแล้วก็จบใช่ค่ะคือมันไปสุกแค่ในฤดูร้อนลิ้นเลยค่ะกูตวัดลิ้นได้เดียวควันไฟ จบแบบควันไฟแต่พอพอมาอยู่ทางนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเราได้ความสุขทางใจได้ที่ปักดิงทางใจรู้สึกว่าใจเราแบบว่าอ ม, มันสงบอุทานรถบ่อยมั้ยสุ่มเนอะสุ่มเนาคือทางโลกนี้เหมือนใจเราบอกช้า ม, มากเลยค่ะเหมือนแบบบอกไม่ถูกค่ะ บ, <laughs> บอกชา้าแบบว่าทาั้งทังที่เราก็ได้อยู่ดีกินดีนะคะแต่มันเป็นความทุกข์ทางใจเองนะคะค่ะ ช่วยบอกชื่อวัดอีกทีได้ไหมว่าชื่อวัดชื่ออะไรสานักอุทยานธรรมดงยางเจ้าค่ะอยู่ที่บุญขีกิ่งอำเภอศิลาลาดจังหวัดสเทเกตเจ้าค่ะอ่าพระอาจารย์อ่าประธานสงฆ์พระอาจารย์อานังขโนเจ้าค่ะท่านมีอายุมากไปยังประมาณห้าสิบยังยังมีแข็งแรงดีห้สยั ง, ย, ง, ย, งยังหนุ่มเป็นที่เพิ่งได้นานเลยใช่สภาก็พระอาจารย์เน้นเน้นอ่ยังมีกิจ ตู้ดงข้อเป็นข้าวัดเดียวกันค่ะที่แม่ชีดำนี้เพราะว่าพึ่นกลับตุดงอ๋อเป็นตู้ดงกับท่านไท่านพาไปไให้ทําได้ทุกอย่างให้เดินเลเดินค่ะเดินแล้วแล้วโยมเดินเท้าเป่าด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไรเลยไม่มีรองเท้าไม่มีรองเท้าอยากรู้ความทุกข์จริงๆว่ามันคืออะไรแลทุกกกายับทุกใจแล้วอยากรู้ว่าเราแยกกายและจิตได้จริงหรือไม่า๋ ไอ้ที่มันเจ็บนี่ใช่ตัวเราไหมใช่ใกายเราไหมอตอนแรกแยกไม่ได้เจ ว, วันแรกนี่เดินเท้าปล่าเมื่อไหร่จะถึงวัดเมื่อไหร่จะถึงที่พักเมื่อไหร่จะถึงอพอเขาบอกว่าอีกสองกิโลมันรู้สึกเจ็บมากขึ้นมาทันทีเลยค่ะทีนีิพอเจ็บมากอยากหารองเท้าซึ่งไม่มีรองเท้าคะ่ะเขาอยู่อยู่บนรถก็ามรู้สึกว่ากำหนิดว่า กายก็ไม่ใช่ของเราละคือเท้าที่เจ็บนี้ไม่ใช่ของเราพอกําหนดปุ๊บมันไม่เจ็บแล้วค่ะก็สามารถเดินได้แต่ไม่ใช่สองกิโลนะคะพระท่านหลอกว่าคือแต่ประมาณหกกิโลท่านหลอกว่าอีกสองกิโลทนกดทนหน่อยนะแม่ชี่ไม่หายแบบเค้ามีความรู้สึกแบบนึกถึงพ่อแม่ค่ะนึกถึงว่าแบบเจ็บปวดมากที่แบบเดินกับปวดกันเข้าป่าได้ค่ะเดินกับปวดกับใส่แบบสิ่งแรกคือนึกถึงพ่อแม่นึกถึงพ่อแม่ แล้วก็เสร็จแล้วก็เราต้องกําหนดว่าที่เจ็บนี่ไม่ใช่กายเราเลยเลยอ่ะไม่ใช่กายไม่ใช่กายไม่ใช่เราเราไม่ได้เจ็บใช่ใจผู้รู้เฉยๆพอกำหนดเสร็จแล้วไม่เจ็บไม่เจ็บใช่พอายปล่อยวางแล้วปล่อยไม่ไม่เจ็บแล้วไปทุ่งนี้พระอาจารย์เจคะมีทุกอารมณ์เลยค่ะเราเจอภัสสะร้อนช่วงเช้าอากาศหนาวพระตาอีสานหนาวมาก หนาวพอบ่ายร้อนแล้วก็เจออภาร์สจากญาติโยมจากคนโน้นจากคนนี้แล้วที่พักก็ตามมีตามเกิดเนี่ยการเต็นการเต็นตอเต็นก็หลังละห้า้อยแต่รู้สึกมีความสุขมากอืะเต็นเล็กของใครของมันอย่างนี้เหยะใช่ๆเต็นก็เอ่อพวกพวกกระเป๋าพวกเต็นก็จะมีรถของทางร้านค่ะอ ถึงเวลาเขาก็จะเอามาวางไว้อะหลังเราหลังไปอ่างน้ําก็แบบตามนี่ตามเกศเขาทําเป็นที่อาบน้ำสามวันเจ้าค่ะเพราะว่าบางวัดเป็นวัดเล็กๆซึ่งก็ไม่มีน้ําสํำรองแล้วคนที่เข้าไปถึงก่อนเขาก็จะอาบน้ําซักผ้ากันอทีนี้ยมไปทีหลังก็ถึงวัดแล้วประมาณหกโมงคึ่งหรือบางวันทุ่มโมงก็ไม่มีน้ํำแล้วก็ต้องอยู่แบบนั้นสามวันติดไม่ได้อาบน้ำ มีน้ำขวดเลยค่ะก็จดน้ำพอเช็ดให้มันใช่ค่ะแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองทุกนะคะรู้สึกมีความสุขสุขใจสุขใจค่ะสุขใจ่ะร่างกายไม่ไม่สำคัญใช่ค่ะตีสามก็ตื่นมาฟังเทศแล้วก็ทำาวัดเช้าตกมงเช้าก็เดินขุดดอกตัก ำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยางค่ะอุทยานธรรมดงยางตำบลขีกิ้งอำเภอศิราลาจังหวัดศรีสะเกษัวค่ะมีเว็บไซต์ไหมครับมีใครทำมีเฟซบุ๊กของอุทยานอุทยานชื่ออุทยานธรรมดงยางด้ยดีใครสนใจก็ลองเข้าไปดูเพราะมีคนมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วอยากจะหาที่ปฏิบัติห พระอาจารย์ท่านจะอยากอคือถ้าท่านสร้างสร้างคนสร้างพระมาเยอะแล้วท่านบอกว่าอยากให้มีสติสตีบ้างไม่ค่อยมีใครดูดแลเท่าไหร่ค่ะดีแล้วละเพราะว่าพระมีเยอะแล้วก็อยากให้สตีเป็น อ, ะ, อะไรนะเ่าอะไรคะเหมือนสมัยพุทธกาลแล<ต>้ว<ห>ชอบพนาปัจจรารที่สุดเลยคือฟังมาไหล อ่าพิษณุณีนี่เยอะแบบพระอาหารหันต์หลายหลยหลายท่านมากเลยแต่ที่โปรดคือพนนนระนาปตรลาคือท่านทุกข์มากๆเลยค่ะเหตุผลที่ที่ปวดเพราะวะ่นนานววท่า น, นาด้วยอ่ะไปอ่านประวัติท่านมาเลยอ่านอ่านประวัติแทบแทบจะทุกพระองค์งแต่มีองค์นี้ที่มีความสึกเราจําได้แม่นิสึกว่าว่าท่านทุกข์แบบอโหแบบ ต้องมาสูญเสียแบบใครในเวลาไล่เลี่ยงกันเนี้ยค่ะถ้าเป็นเราเราก็ต้องเสียสติดค่ะเพราะว่ามันเกิดความทุกข์ทุกทุกอย่างเลยขอลูกในป่าว่าทุกอะไรก็ทุกะแล้วในความเป็นแม่ท่านก็เหมือนต้องต้มเอาลูกไว้ใต้ทอต้องประมาณนะคะอก็มีความรู้สึกว่าทุกจริงๆการต้องเห็นต้องเห็นทุกก่อนมันถึงจะหาทางออกจากทุกันการเกิดนี่ทุกทุกอย่างเลย ไม่การเกิดเป็นทุกข์การมีคู่เป็นทุกข์อะไรทุกอย่างเป็นทุกข์เหมือน<ม>เลยมีอะไรต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีทั้งหมดใช่ค่ะมไม่อยากไม่อยากเกิดแล้วค่ะ อ, อะ ก, ก็ต้องัดตตัดได้ต้นเหตุของการเกิดใช่แล้ค่ะก็คือความอยากต่างๆความโลภโกรธหนองตอนนี้ไม่อยากเกิดไม่อยากอะไรเลยเพื่อนเพื่อนทางโลกก็บอกว่าให้ออกมาโน่นนี่นั่นก็ ไม่อยากพูดอะไรกับเขาเคร า, า, าว่าเขาไม่เข้าใจ่ะเขาไม่เข้าใจค่ะเขาก็ยังก็บอกเอาถ้าแม่ซีเรื่องเงินสิบล้านก็แสดงว่าที่ไปหวยนี่ยังตัดกิเลสไม่ได้เลยก็ออบอกไม่ไม่เลือกก็คือเราขออยู่แบบนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่คิดที่จะเกิดแล้วใช่ถูกต้องมันเห็นทุกข์แล้วทูกค่ะ แค่เราตื่นตอนมานี้เราก็ทุกแล้วเข้าห้องน้ําปวดท้องปวดอะไรทุกไปหมดหิวละหิวน้ําหิวหิวน้ำนู่นนี่ทุกอย่างแบบเป็นความทุกข์ไปหมดเลยอืแล้วการที่มีผมยาวก็เป็นทุกข์แ้วครั่ต้องคอยดูแลจำได้ว่าตอนที่เจ็บผมยาวเช้าตื่นมาสับผมเสร็จต้องไปหาร้านตำผมเส็กแบบทุกอย่างทุกอย่างแบบทุกข์ไปหมดแล้วนะถ้าถึงบอกว่าคนฉลาดนี้ให้ดูที่ผมฉลาดมากฉลาดน้อย อยู่ที่ผมถ้าผมยาวก็แสดงว่าฉลาดน้อยถ้าผมใส่ก็ฉลาดก็ดูพระพุทธเจา้านั่นมีผม น, นีนะ่ไงนักบ่าโลกนี้ไม่มีผมเลยใช่ค่ะสบายแล้วอาบน้ำเร็วมากเมื่อก่อนอาบน้ำเกัอบชั่วโมงประมาณ5นาทีค่ะ เ, เสร็จแล้วเลยอคือทุกอย่างเลยสระผมล้างอะไรทุก อ, อ, อ, อ, อย่าง <c oughs> ได้ได้ ปรว่าหน้ามากวนหัวกันนะของพอยังยึดหลักกเดมรอสันดมันเป็นธรรมของนักปฏิบัติเนี่ยน้อยสันโดษนี่มันเป็นเป็นสันดานของนักปฏิบัติพูดง่ายๆเป็นพื้นฐานคนที่อยาปฏิบัติจริงๆต้องมากน้อยสันโดษทั้งนั้นฝูดพยายทออนไลนออนไลน ไม่เป็นไรทไมก้าคุยเท่าไหร่ัเป็นธรรมาทานมีคนติดตามเยอะเนี่ยคนเขาติดตามอยากจะรู้กันวอนนี้ช่วงนี้มีนักผู้หญิงไปปฏิบัติธรรมเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนก็มีคนไปไปบวชชีอยู่ที่สำนักที่เขาให้นั่งนั่งสมาธิที่หน้าศพสองต่อสองที่แถวสระบุรีใช่ไหอนั่น นูเคยไปปฏิบัติที่ของวัดเสาข้าวุเยนข้าวกล้วยจังหวัดขอนแก่นใช่ๆเดินไปนั่งตลาธิเพื่อสงบก็ค่ะตอนดึกดีก3ันทุกเด็ก้างก็ได้แหละก็มีจับเป็นตารางเวลาตสามทุ่มห้าทุ่มตีหนึ่งใช่ๆตอนตอนแรกที่เข้าไปก็คือไปกันสามสิบกว่าคนนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องมาก่อนไม่ต้องเดินเข้าไปนเดียวก็ให้ยากจะได้ไปแก้ความกลัวกันแก้ความหลงกัน ดเราก็แบบถามถามน้องคนที่เดินออกมาว่าภาวนาอะไรครับพุทโธหรือจิตล้อพองหมอหรือว่าเดินนักเก้าวิ่งอย่างเดียวนี่เขาแบบว่าตอนนั้นคลองสติไม่ได้ไม่ได้เราจะกลับไปที่นั่นกลับคืนนี้สิค่ะกลับมาและจะกลับตั้งแต่วันเสาร์กลับนครชัยแอร์ค่ะเพราะว่าเครื่องไม่มีอืม ถ้านั่งเครื่องก็ต้องไปลงที่อุบลไม่อยากรบกวนญาติโยมต้อไปรับเองเป็นมันวันธรรมดาด้วยเขาทางานเราเอาที่เราสะดวกดีกว่าไม่ไม่ไม่เบียดเมียนคนอื่นเพราะว่าบวชแล้วก็ต้องเสียสละต้องยอมลําบากนั่งบวชนี่ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ทุกอย่างค่ะเมื่อก่อนไม่เคยฉังโดดยินดีตามดีการเกิดม่เจอ่รถโดยสารก็จะมีรถส่วนตัวใช้ด้วยนี่จะได้ ดนมีริมรถหลายรถหลายชาติใช่ส่ะก็อะขออนุโมทน า, านขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนอย่าทิ้งการภาวานาก็แล้วกันนะจะทำอะไรก็อย่าลืมภาวาน า, านสติสำคัญที่สุดควบคุมใจด้วยสติแล้วก็ฆ่ากิเลสด้วยปัญญาไตรยรักปณิจังทุกขังอนัตาตาสุปา เอ่าได้อันนี้เป็นโยมพี่สาวพี่สาวเลยรูปุกถากอ่าเป็นพี่น้องกันเลยค่ะอือดีคู่เขาเรียกเลยนะคู่บุญใช่ไหมคู่บุญกันอือเกือกูนกันหนูฟังขององค์หลวงตามาตั้งหลายปีแล้วค่ะอ่าดีฟังมาติดตามมาตลอดเอออือก็มีอะไรอยากจะถามอยากจะคุยไหม S <S <S ไม่ไม่ออกไม่เลยอ่ะได้เขาอยากถามตอนน่อเลยนะื่ะอาเลยการพิจารณากายกับลงไปแตกจะต้องพิจารณาอย่างไรบ้างครับเพื่อให้เกิดปัญญาก็เนี่ยให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไปยึดไปติดเราก็จะทุกข์ถ้าเราปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกข์การพิจารณาว่าไม่เป็นตัวเราของเรานะคะต้องประจากษ์หรือเห็นอย่างไรในใน กายหรือในสภาวะที่เราพิจารณาครับก็ดูด้วยดูความเป็นมาเป็นไปของร่างกายมันเป็นของมันเป็นเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนที่มันจะมาเป็นร่างกายเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในดินนางลมไปของนี้ไม่ใช่เรามันมาจากพ่อจากแม่ไม่ใช่แล้วเราอยู่ตรงไหนส่วนไหนของพ่อส่วนไหนของแม่มีไหมนั่นเยนั่นเลยนั้นร่างกายมันไม่มีส่วนเราอยู่เลยมีส่วนของพ่อของแม่สองส่วนใช่ไหมครับออ แล้วส่วนของพ่อของแม่มันก็เป็นดินน้ํานมไฟ<ช>เป็นธาตุเป็นน้ำสองหยดแล้วมันมารวมตัวกันมันก็เกาะตัวขึ้นมามันก็อาศัยดินน้ํานมไฟที่อยู่ในท้องแม่มาหล่อเลี้ยงให้มันจเจริญเติบโต<ช>เราเป็นเพียงดวงวิญญาณมามาเกาะท่นั้นเองอาศัยชั่วขณะเนี่ยจะได้รู้ว่าเรากับร่างกายนี้มันเป็นคนละคนกั น, กนเราเป็นตัวรู้ตัวที่ตายจากร่างกายอันเก่าแล้วมาหาร่างกายอันใหม่ พอพ่อแม่เขามาสร้างร่างกายใหม่ให้เราก็มาขอขออาศัยเลยนั่นแหละให้รู้ตรงนี้เราต้องใช้ในตัวตั้งตัวรู้ของเราเนี่ยแยกอาการได้พอสมควรถึงจะเรียกว่าเห็นกายคือให้รู้รู้ตามความเป็นจริงก่อนนเหมือนกันนัเหมือนกับเราศึกษาการปลูกต้นไม้เนี่ยการทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้เหตุใช้ผลใช่ไหมต้นไม้มันผลก็ามาได้ก็เอามเมนล็ดใส่เข้าไปให้น้ํามันให้ดินมันมันก็โตขึ้นมา มันก็มาจากดินน้ํามลมไฟต้นไม้มันมาจากดินน้ำลมไฟฉันในร่างกายมันก็มาจากดินน้ําลมไฟฉะนั้นเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันเลยเราไปหลงไปว่ามันเองว่ามันเป็นเราเป็นของเราเ น, นี่ยเรามาแก้ <im it> ตรงนี้เข้าใจเหตุของการเกิดและสิ่งขึ้นรกแล้วก็ดูเวลามันเวลามันจบมันไปไหนเวลาร่างกายตายไปมันไปไหนดินน้ำลมไฟที่รวมกันมันก็แยกกันไปอ่าแล้วเราอยู่ตรงไหนเราไม่มีส่วนอยู่ในร่างกายนั้นเลย ให้เห็นเนี่ยมองให้มาเห็นชัดๆเห็นกระบวนการเกิดเห็นกระบวนการแตกสายเห็นการกระจายออกไปจนรับลงไปในใจของเราว่ามันไม่ใช่เครื่องอาศัยเอมันไม่ได้เป็นตัวเราแต่เป็นเหมือนบ้านที่เรามาอาศัยอยู่เท่านั้นเองแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเอเราจะได้ไม่ต้องไปยึดไปติดมันเพราะยึดยังไงติดยังไงก็ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมสั่งมันไม่ได้ว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายก็ไม่ได้ แต่เวลาไปอยากแล้วมันทุกข์แล้วสุขทุกข์ใช่ไหมแต่เวลาไม่อยากมันเป็นยังไงมันไม่เดือดร้อนสบายๆนั่นแหละเราต้องการความสบายทั้งนั้นเองที่ปฏิบัตินี้ไม่ได้ต้องการอะไรต้องการสอนใจให้รู้ความจริงเราอย่าไปยุ่งกับความจริงอย่าไปดัดอย่าไปเปลี่ยนความจริงเราเปลี่ยนมันไม่ได้ความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราจะไปทําให้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราไม่ได้ มันจะมันจะแก่มันจะเจ็บจะตายไปทําให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้าหลวยมือเป็นอัลไซเมอร์อย่างนี้เขาก็ปล่อยไปตามสภาพเาตามกำของเขาปล่อยไม่ปล่อยเพราต้องไปตามสภาพา <c oughs> ตามกำของเขาอยู่ที่เราไปทุกข์กับเขาเองเพราะเราไม่ปล่อยเพราะเราไปอยากให้เขาดีอยากให้เขาดีอย่างที่ <c oughs> ทเราอยา่าบังคับให้เขาเป็น <c oughs> ดีเหมือนเราเหมือนตอนที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราดีร่างกายเราแข็งแรงเป็นอะไรก็อยากให้ก็เป็นอย่างนี้ <C oughs> ถ้ายอมปล่อยเ ข, า, ขาคงจะไม่ทุกข์กับการเป็นอัลไซเมอร์ของอายีไม่ไม่ทุกข์กับใครก็ตามของเรายังก็ไม่ทุกข์ต่อไปร่างกายเราเป็นพิกลพิ ก, การเอาสามารถกระช่างหัวมันเราเป็นใจเราก็ยังเหมือนเดิมเ <C oughs> นี่ย ป, ปัญญา <C oughs> ก็ตามอธัธยาศัยนะคุณแม่ชีถ้าคุณแม่ชีจะไปนั่งที่ไหนต่อหรือยาอะไรก็ได้ ขอขอบคุณในธรรมทานที่ให้แก่เพื่อนปฏิบัติกันในวันนี้คิดว่าคนหลายคนคงจะพอใจดีใจได้รู้จักสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งเพื่อนเขาอยากจะหาที่พึ่งเขาก็จะได้มีที่ไปกันเราก็เป็นสื่อกลาง เพื่อนเพื่อนถามมาเกี่ยวกับว่าทําไมตัวเขาชอบไปเกี่ยวกับพวกหมาแมวแล้วเขาสมมุติว่าเขาไปดูมาตรงเนี้ยเขาจะนอนไม่หลับสองสามวันจิตเขาจิตเขาปกพันกับกนิสัยเดิมเป็นอย่างนี้อ๋อใช่อชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรมาตั้งแต่ดั้งเดิมว่าเรามีความชอบไม่เหมือนกันเพราะในแต่ในอดีตแต่ละพบแต่ละชาตินี้เราจะสะสมความชอบมา บ, บางคนก็ชอบเรื่องสัตว์บางคนก็ชอบเรื่องเด็กบางคนก็ชอบเรื่อง คนแก่เขาก็จะไปดูแลตามความชอบของเขาเอบางคนก็ชอบพระก็ชอบไปติดตามไปรับใช้ครูบาอาจารย์เขาไปแบบนั้นนิสัยเขาเรียกว่านิสัยอออนิสัยุปนิสัยที่ฝังมานิสัยนี่มันมีสองแบบนิสัยที่เป็นกิเลสกับนิสัยที่ไม่เป็นกิเลสอันที่ไม่เป็นกิเลสก็ไม่เป็นไรเช่นเราชอบดูแลคนแก่ก็ไม่ ไม่ไม่ชอบดูแลเด็กอันนี้มันไม่ได้เป็นกิเลสแต่ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันถึงจะเป็นกิเลสขึ้นมาอแต่ถ้าเราชอบเขาเราลักเขาเราไปดูแลเขาไปช่วยเหลือเขาบางคนชอบทําบุญแบบทํากับวดบัดบางคนก็ชอบทํากับโรงพยาบาลบางคนก็ชอบทํากับเด็กบางคนก็ชอบทํากับอคนตายซื้อโรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอัธยะ นิสัยเดิมของแต่ละคนที่เคยทํามาเคยชอบเคยทําอะไรมาก็จะชอบทําอย่างนั้นไปได้ตามสบายนะอ่มีใครอยากจะถามอะไรไหมนั้งนั่งเลยเสียงนั่งนั่งเอยไม่ต้องอาย ขั้นลุดออกมาอืมเอ่อังหะตาอ่าที่ยังมีเอ่อสมบุติปัญญาต์ยังทําให้เกิดการเกิดดับอืมตรงนี้หมาความวงครับคือของต่างๆเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนที่ไม่มีการเกิดดับกับส่วนที่มีการเกิดดับ ส่วนที่มีการเกิดดับก็เก็เป็นเป็นของที่เกิดจากการผสมของส่วนที่ไม่มีการเกิดดับเช่นดินน้ำลมไฟอากาศาธาตุวิญญาณธาตุธาตุดูนี่พวกนี้มันไม่มีเกิดไม่มีดับมันดินก็เป็นดินน้ำก็น้ำอย่างนั้นกี่ยกุกี่สมัยมามันก็มันยังงันอยู่ตลอดเวลาแต่เวลามันมารวมกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นของที่เกิดขึ้น เป็นรังต้นไม้นี่มันก็เป็นการรวมของดินน้ำรวมไฟแต่ถ้ามันมีการรวมแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการแยกก็ เ, เรียกว่ามีการเกิดดับเขาเรียกว่าสังขารสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเพราะสังขาร น, นี่มันเกิดจากการผสมของของธาตุทั้งหกอของธาตุเนี่ยหกชนิดเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้ก็ห้าชนิดไม่มีธาตุรู้เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานนี่ก็หก มีธาตุรูเข้ามารวงด้วยดินหมน้าลมไฟอากาศต้นไม้ไม่มีรูแล้วไอ้พวกนี้มันจะต้องสลายกลับคืนสู่ธาตุเดิมเสมอเนี่ยเรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยแล้วเราก็ไปสมมติไปตั้งชื่อว่ามันเป็นต้นไม้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็น นายกเป็นอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็เป็นสังขารทั้งนั้นรนวมกันเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็แก่เจ็บตายกันไปพอตายก็ร้องห่มร้องไห้กันคิดว่าสูญเสียอะไรไปมไม่ได้สูญเสียอะไรของพวกนี้มันไม่ได้เป็นของเรามาตั้งแต่เริ่มต้นแต่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นของเราถึงถึงสอนให้มองดูจุดเริ่มต้นของในสังขารคือร่างกายเนี่ย มันเริ่มมาจากที่ไหนมันเป็นของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมอันนี้มันเป็นของเราตัวเรานี่เป็นของเราที่ไหนตัวเราก็ได้มาจากแม่กับพ่อใช่ไหมถ้าไม่มีแม่ไม่มีพ่อเราจะมีร่างกายนี้ได้ไอ้ร่างกายนี้เป็นของขวัญจากพ่อจากแม่เหมือนตุ๊กตาพ่อแม่เขาสร้างตุ๊กตาให้เราตัวหนึ่งก็คือร่างกายนี้แล้วเราก็เอารูไอ้ไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มาเล่นพามันไปเที่ยวพามันไปกินไปดื่มไป ความสุขอะไรต่างๆแล้วก็หลงที่ว่ามันจะอยู่ไปอย่างนี้ไปไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายขึ้นมาก็วุ่นวายกันใหญ่เนี่ยเพราะเราไม่สนใจที่จะมาศึกษาเนี่ยถ้าเรามาศึกษาพุทธศาสนาท่านจะสอนนะ้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะคิดอยู่เรื่อยๆอย่าลืมเพราะเพราะเพาะว่าเวลาไม่คิดปับ๊บมันจะลืมทันที ถ้าคิดอยู่บ่อยๆต่อไปมันจะไม่ลืมแล้วมันจะเตรียมตัวว่าเออมันจะต้องแก่นะมันต้องเจ็บนะมันจะต้องตายนะห้ามันไม่ได้นะถ้าไม่ถ้าไม่ไปยึดไปติดมันจะไม่ทุกข์นะถ้าไปยึดไปติดมันจะทุกข์เนี่ยเพราะจะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายก็เท่านั้นเองทำแค่นี้ถ้าทำได้ก็สบายไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปใจยัง คิดว่าวิญ ญ, ญาณท่านรู้ป่ะครับท่ารู้ก็ไม่เกิดดับนี่คือตัวมันไม่เกิดดับคือความรู้ในตมันไม่เกิดดับอตัวมันไม่เกิดดับแต่สิ่งต่างๆในในตัวมันมันเกิดดับเปลี่ยนได้เช่นอารมณ์ต่างๆในใจในี่เกิดดับเกิดดับความคิดต่างๆเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงหิ่งห้อยแต่ต <จะ S 2> ัว <started> หิ <aquest> ่งห้อยไม่ได้ดับไปกับแสงตัว ตัวธาตุรู้นี่มันเป็นธาตุรู้ตลบะเวลาแต่ภายในธาตุรู้มันมีแสงเหมือนตัวหิ่งห้อยเกิดดับเกิดดับก็นา ม, มาขันทั้งสีเนี่ยก็คือแสงหิ่งห้อยของธาตุรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกเอแล้วก็คิดบ้างจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแล้วก็ลืมไปแล้วก็หายไป อนี้แหละเกิดดับเกิดดับแต่เรามตัวที่เกิดดับเป็นวิถนาตัญญาต่างขันวิญญาณสี่ตัวเท่านั้นเองครับแต่มันก็ไม่หายมันก็มันก็ไม่ตายเหมือนกันมันก็มีอยู่ตลอดไปมันตามได้มันจิตมีมันก็มีมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตเขาเรียกว่าอาการของตัวรู้แต่เป็นอาการที่มันเกิดดับเกิดดับเหมือนแสงเหงื่อห้อยเนี่ยมันก็เกิดดับเกิดดับไปการเกิดดับของวิญญาณขันก็ดีอะไรก็ดีแก่ มันก็จนไปจนกว่าจะหมดกระแสของการเกิดใช่ไหมครับถ้าเราฝึกจนหมุดเกิน <c oughs> เกิดกระแสไอ้สี่ขันต์ตรงนี้ก็จะไม่เกิดดับอีกมันก็ยังอยู่จะใช้มันก็ได้จะให้มันเกิดมันดับก็ได้ถ้าดับไป่ยังมีอยู่ยยไม่ย้องใช้ได้อไม่มีร่างกายก็ยังใช้ได้ครับเอแต่แต่ว่ามันบางทีไม่รู้จะไปใช้กับอะไรอย่างพระพุทธเจ้านี่ป้าอานันท์นี่ถ้านไม่ใช้ขันแล้วมีอยู่แต่ไม่ใช้อหมไม่คิดปรดปุงแต่งแล้วก็กเหมือนอยู่ในสมาธิ เวลาเวลาเข้าสมาธิก็หยุดไอ้ขันสีนี่ใช่ไหมหยุดคิดปุงแตง่งหยุดจาได้ไหมรู้หยุดเวทนาหยุดรับรู้รูปเสียงกลิ่นลดอะไรต่างๆ <c oughs> แต่วันไหนว่างๆท่านอยากจะส่งกระแสจิตมาหาคนนั้นคนนี้อย่าง น, น้องปู่มั่นนั่นบอกมีพระพุทธเจ้ามาเยี่ยมอย่างนี้ท่านก็ยังมาได้อาจจะเป็นกรณีพิเศษอาจจะเป็นครูบูณกันมาเคยรับใช้กันเคยดูแลกันมาแล้วก็ มีบัณฑิตบารมีกันเชื่อมต่อกันได้ท่านก็อาจจะส่งมาเยี่ยมเยียนกันก็ได้อต่ปกติท่านก็จะสงบเฉยอุเบกขาไปไม่มีวันสิ้นสุดพระพุทธเจ้าขององค์ปัจจุบันนี้อาจจะไปติดต่อพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี้นท่านจะไปรู้ว่าชื่ออะไรบ้างอย่างนั้นท่ารู้จากพระพุทธเจ้าสามสามสามองค์ก่อนที่มาตัสรู้ก่อนท่านชื่อนั้นชื่อนี้ท่านก็อาจจะติดต่อกันก็ได้ ใช่ไหมเพราจิตของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ก, ก็ยังอยู่ไม่ตายไม่หายไปไหนอยู่ที่ว่าท่านเปิดเครื่องรับหรือเปล่ปาเหมือนพวกเรามีมือถือเนี่ย <c oughs> เปิดหรือเปล่าถ้าเปิดเราถ้าต่อไปมือถือมันอาจจะเก่งมันจะสามารถหาเบอร์ที่เราต้องการคนที่เราต้องการได้โดยที่เราไม่รู้เบอร์ก็ได้เป็นแต่ใส่ชื่อเข้าไปเหมือนกับเราหาใน Google อย่างเงี้ยต่อไปชื่อเรากับเบอร์ของเรามันจะเชื่อมต่อกันก็ได้ต่อไปเราอยากจะ ติดต่อคนที่เราไม่เคยเจอกันยี่สิบปีนี้มันยังอยู่หรือเปล่าวะก็ใส่ชื่อมันเข้าไปในมือถือเนี่แล้วเดี๋ยวมันก็เสด็จไปในระบบอามีชื่อนี้เลยวะมันก็ต่อให้เราเลย mm. ก็ได้ใช่ไหมนัม่นหมายของละวิญญาณฐานเหล่านั้นก็ต้องมีคุณภาพที่จะเชื่อมกันได้ถึงจะเชื่อมได้ก็ต้องมีความสา ม, มารถติดต่อกันได้เอวิญญาณทาง ก, การของพวกเราส่วนใหญ่มันก็เอาติดต่อแค่ร่างกายเท่านั้นเอง ับจับดวงจิตดวงอื่นมันไม่มันไม่ติดต่อมันไม่มีพลังมันไม่ได้ฝึกสมาธิแต่พวกที่ฝึกสมาธินี่จะมีพลังจิตสามารถติดต่อดวงจิตคนอื่นได้เนี่ยคนกําลังคิดอะไรเนี่ยเขาก็ฟังได้กําลังคิดอะไรอยู่หลวงปู่มั่นที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยท่านไปนั่งภาวนาบนเขาแล้วมีหลวงตาหลวงหลว ง, งพ่อแก่ๆภาวนาอยู่ที่จีนเขาท่านก็ส่งกระแสจิตมาดูว่าตอนนี้กําลังคิดอะไรกําลังทำอะไร ก็เห็นว่าท่านคิดกังวลถึงลูกถึงเมียถึงอะไรต่างๆพอตอนเช้าท่านก็นทักหน่อยว่าทาไมไปกังวลกับเขาทำไมเรามาบวชแล้วเขาก็อยู่ตามภาษาของเขาไปนะพอหุ่นนี้แก ก, กลัวเลยย้ายหนีเลยอะไรวะมันนั่งอ่านจิตอ่านใจกันเนี่ยอันเนี้ยเพราะจิตมีพลังี่ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะมีพลังมันสามารถติดต่อกับดวงจิตดวงอื่นได้พระพุทธเจ้าเนี่ยติดต่อกับแม่ได้เห็นไหม ตายไปแล้วเหลือแต่ดวงจิตไม่มีร่างกายอยู่บนสวรรค์ท่านก็นติดต่อสามารถคุยกันได้สามารถสั่งสอนธรรมะให้ได้สามารถขึ้นไปนเพจได้ก็ไม่แต่ไปขึ้นไปไหนก็เนียก็ส่งกระแสจิต<อ>ไปนั่นแหละออร่างกายมันจะไปที่ไหนมันอยู่คนละที่กันร่างกายอยู่โลกกระถ่าแต่จิตมันอยู่โลกทิพย์โลกทิพย์ก็สามารถติดต่อกันได้ถ้ารู้เบอร์เหมือนโทรศัพท์ถ้าเรามีเบอร์ก็ติดต่อกันได้หมดกระแสหรือไม่จ้า คืออย่างตัวคาว่าธาตุรู้ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้ครับถ้าเป็นปุตุชนยไม่ถึงขั้นขั้นไหนเลยครับแล้วเราภาวนาแต่เราจะมีโอกาสถึงตัวธารู้ในขที่เรายังเป็นกุตุชนเนี่ยกุตุชนมีสิทธิ์ไหมครับหรือว่าไม่มีสิทธิ์มีแต่นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าเอามมาจากปุตุชนยังไงยังไม่ถึงขั้นอริยะยังไม่ผ่านอริยะเลยครับอาจารย์ทหลวงพ่อคร<ม>ับแล้วหมายถึงได้ก็ขั้นอะไยังชนเนี่ยครับก็ขั้นสมาธิไงเอาผ่านช่องสมาธิอ่าพอจิตสงบก็สามารถเห็นตัวรู้แล้วขั้ แล้วก็แล้วถ้ามีมีมีมวาชนาเดิมก็อาจจะติดต่อกับผู้อื่นได้รู้รู้อดีตได้ตาทิพูทิพได้ก็เกิดจากสมาธิไม่ได้เกิดจากวิปัสสนาแต่สมาธินี้เ ป, นเป็นโลกิยธรรมคือมันยังทําให้จิตเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าอยากจะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องขึ้นสู่โลกุตระธรรมต้งองขึ้นสู่ขั้นวิปัสสนาต้องเห็นใจรักเห็นอริยสัจสี่ แึงอย่าตัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวผูกมากจิตใจให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่เพระเจ้าไม่เน้นเรื่องเรื่องเรื่องความสามารถทางทางจิตหมายถึงทางอภิน ญ, ญาเพราะว่ามันจะทําให้ผู้ปฏิบัติหลงเราจะไม่ไปปฏิบัติทางวิปัสสนาแล้วก็จะทาให้เสียโอกาสอันดีเพราะนานๆจะมีคนสอนวิปัสสนามาเกิดสักครั้งหนึ่ง เหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสององค์ก่อนที่ก่อนที่พระเจ้าจะตัดชลูเนี่ยท่านก็มีอภิญญาท่านก็มีสมาธิมีฌานแต่ท่านนี้ก็ยังติดอยู่กับการเมียนห้ตายเกิดอยู่พระพุทธเจ้าคิดถึงสององค์นี้เลยหลังจากที่ตัดรลูเสร็จเนี่ยจะช่วยใครก่อนวะใครที่จะพร้อมที่จะสามารถรับประโยชน์ได้ก็คิดถึงอาจารย์สองลูปนี้ก็ได้ข่าวว่าองค์หนึ่งเพิ่งตายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วองค์หนึ่งเพิ่งตายไปเมื่อเดือนที่แล้วท่านอะไรบอกออ เ, เสียได้ พอตายไปจิตของท่านก็ไปอยู่ชัสวรรค์ชั้นพรมอาจจะเป็นหมื่นปีพันปีแสนปีก็ไม่รู้แล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะพุทธศาสนาของท่านก็หมดไปแล้วก็จะไม่ได้รับประโยชน์เห็นเวลาเราปฏิบัติพอเราเข้าสู่ขั้นสมาธิแล้วเกิดไปได้อภิญญาขึ้นมาอย่าไปติดมันอย่าไปสนใจตอนนี้อย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันเลยดึงจิตให้กลับอยู่ในอุเบกขาอย่างเดียวนอกมาตรฐานประเด็นเรื่องว่าเขาเห็นอยากจะรู้ว่าท่านรู้ ก็ได้นี่ก็นี่ก็เห็นจากการนั่งสมาธิไงจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิธารู้ก็จะแยกออกจากธาตุสี่คือดินน้ำนุ่งใยก็จะเหลือแต่ธาตุลูตรงนี้แยกออกมาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเออยังอยู่ข้างในตัวสี่ตัวนี้มันหยุดพักทํางานอะก็คือไม่ใช่สตัวนี้เป็นตัวธาตุลูที่มันหยุดเกิธาตุลูนี่เป็นเหมือนตัวหินห้อยไงแต่ตัวแสงหิ่งห้อยมันหยุดทํางานชั่วคราวก็เลยทําให้เห็นตัวตัวนี้ ตัวธาตุรูนี้เป็นเหมือนจอทีวีเราจะไม่เห็นจอทีวีเวลาเราเปิดทีวีเพราะเราจะเห็นภาพบนจอใช่ไหจอห่างาพอ<ป>เราปิดทีวีปภาพบนจอหายไปแล้วก็เห็นตัวจ อ, อตัวธาตุรู้นี้ก็ต้องหยุดเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณหยุดด้วยการเข้าฌานเข้าสมาธิแล้วหยุดด้วยหลบด้วยวิปัสสนาญาณก็ได้อันนั้นก็ได้เหมือนกัน แต่มันยากกว่าแต่มันขั้นสูงๆของเรายยาียนแล้วใช่เพราะว่าขั้นสติมันง่ายกว่าเพียงแต่พุโทโธพุโทโธไปถ้ารวิปัสสนานอย่างนี้ยเมื่อกี้เราอธิบายคุณฟังเนี่ยแล้วมันต้องมีเหตุการณ์ที่จะทําให้มันต้องแยกออกจากร่างกายเี่ยตอนนี้เราพูดถึงร่างกายไม่ใช่เป็นเราของเราร่างกายต้องตายแต่เรายังไม่แยกเราไม่ได้แยกเราต้องไปหาเหตุการณ์ให้มันแยกลองปล่อยงูมันตรงนี้สักตัวเลยตอนนั้นน่ะมันจะแยก ยยกก็คือถ้ามันเฉยก็แยกถ้ามันถ้ามันกระจนมันก็ไม่แยกนะกระจย่งยดขันอยู่นั่นแหละใช่จระจนดึงขันหนีไงถ้ามันถ้ามันแยกก็ปล่อยให้มันนั่งอยู่ตรงนั้นต่อแตได้แล้วว่าอะไรก็เรื่องของขันใช่เรื่องของใช่ใจก็เฉยเป็นอุเบกขาไปแล้วมันก็จะเห็นว่าอันนี้ใจเป็นอย่างหนึ่งร่างกายเป็นอีกอย่างอันนี้ก็เห็นด้วยวิปัสสนาแต่ยากมันต้องมีเหตุการณ์เครื่องดินจะตกอย่าง นั่งเครื่องแล้วเครื่องมันดับกับท่านบอกว่าตอนนี้เครื่องดับแล้วขอให้ท่านอัดสวนมวนกันเถิดทใจคุณม่ชีไงครับที่ท่านพูดน่าสนใจที่ว่าท่านสามารถยกฐนยกกายได้เพราะท่านเ้าเวทนาเป็นตัวแยกไงก็น่าสนยกอย่างเอาเวทนาก็ได้เอาความตายก็ได้มันต้องมีสองตัวนี้มันถึงจะแยกก็ต้องชัดๆ่งั้นก็เขอหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้การนั่งสมาธิใช้สติ ให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิเนี่ยก็ยากอีกแบบจะยากแบบสมาธิมันไม่ถาวรไม่เหมือนแยกแบบปัญญาพอแยกแบบปัญญาได้แล้วนี่มันยากมันรูล้ละทีนี้มันจะไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายจะไม่กลัวความเจ็บแล้วไม่กลัวความตายแล้วแต่ถ้าแยากด้วยสติมันจะสบายตอนที่เข้าสมาธิพอออกมาพักก็กลัวเหมือนเดิมกลัวเจ็บกลัวตายเหมือนเดิมึต้องไปอีกขั้นหนึ่งถ้าได้ขั้นสมาธิแล้วก็ต้องไปขั้นปัญญาต่อ เพราะถ้าไม่มีสมาธิบางทีมันไม่มีกําลังสู้แล้วพอเจอความเจ็บก็ยกธงขาวนะออคนที่สู้ได้ก็แสดงว่าอย่างน้อยต้องมีสมาธิพอสมควรใช่นะั้นต้องทนเจ็บได้ต้องทนใจไม่ชีเหมือนกันแยกได้ว่าท่าน เ, เจ็บเท่าท่านก็กกกกต้องมีสมาธิไม่ ง, งั้นทำไม่ได้หรอกถ้าเป็นพวกเราหนี้พอเจ็บน้อยก็แม้กลับบ้านดีกว่าหายยัง ต้งปฏิบัตินะพูดกันจนวันตายก็ไม่ถึงสิบปาว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นนี่พูดเพื่อให้รู้ทางเท่านั้นเองยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นผลนะบางคนฟังแล้วคิดว่าเข้าใจเข้าใจแล้วคิดว่าทัานก็ไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บเสียตอนนี้มันมีอะไรเจ็บก็พูดได้กลัวเวลาเจ็บลืมลืมคำพูดตอนนี้ไปเจ็บดึงไปหมดอันนั้นตอนนี้ฉันไม่กลัวตายแลฉันไม่กลัวเจ็บแล้วเพราะยังไม่เจอเจ็บเนี่ยยังไม่เจอตาย มันต้องเจอจริงๆมันถึงจะรู้ว่ากลัวหรืไม่กลัวถ้าไม่กลัวเจ็บก็คือยอมเจ็บปล่อยมันเจ็บไปมันจะเจ็บเท่าไหรปล่อยมันเจ็บไปถ้าไม่กลัวตายก็คือปล่อยมันตายไปแล้วมันจะแยกทันทีเลยถ้าปล่อยได้จิตกับร่างกายจะแยกทันทีเลยเวลาปล่อยร่างกายอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้จิตเมื่อก่อนนี้ฟุ้งซ่านเครียดกับความเป็นความตายของร่างกายพอยอมปล่อยปั๊บสงบสบายสบาย อันนั้นก็อับปนาเหมือนกันแต่อับปนาด้วยปัญญาเนี่ยเขาเรียกปัญญาอุมสมาที่เนี่ยลักษณะแบบนี้เพราะตอนจิตที่ปล่อยวันนี้ก็อับปนาผมคิดว่าเป็นสบาย <c oughs> สบาวกันกะแค่เกิดเกิแบบดแต่ถ้าเกิดที่สุดแล้วมันจะอับปนาเลยเอมันก็เป็นอุเบกขาไงแต่มันอุเบกขาแบบว่ามันยังรับรู้ธาตอ ย, อยู่วิญญาณยังทํางานอยู่ขันยังทํางานอยู่อยากใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ใช้ใช<อ> จ, ะจะปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้วิญญาณก็ยังรับรู้รู้เสียงกลิ่นรดอยู่ แต่ไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสไม่สะทกสทานกับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาผ่านทางร่างกายอ่าเดี๋ยวพ อ, อยังจะให้คําถามทั้งบ้านทั้งหน่อยแล้วก็นะผงจะไม่ได้ตอดอะไรนะพออย่างแค่นี้ก็ได้เยอะนะครับมีคำถามไหมพออย่างจับลก็เอ า, เอ า, เอาไปปฏิบัตินะออศึกษาแล้วก็ปฏิบัติ ปฏิบัแล้วก็จะปฏิเวทจะบรรลุมรกผลนิพพานแล้วค่อยไปเผยแผ่สั่งสอนต่ออยากไปข้ามขั้นตอนบางทีศึกษาแล้วยังไม่ปฏิบัติยังไม่ปฏิเวทจะไปสอนคนอื่นแล้วเยอะครับผู้มีเยอะมากแล้วก็วุ่นวายกันไปหมดเป็นพวกตาบอดคําชา้างใช่ไหคนนี้ก็ว่าเป็นเชื่อคนนี้ก็ว่าเป็นงาก็่เป็น เป็นหอกไม่บางคนบอกว่าช้า่ะครับคือหา่างที่สซ้าไปบางทีไปพูดอย่างนั้นเล่มงเลย อ, อมีคำถามไหมเอาต่อนหน่อยคำ ถ, ถามทางยูทูบไลฟ์นะคะข้อที่หนึ่งหลังออกจากสมาธิแล้วจากคนไม่ไม่ต้อออกงานคะ่ะหลังออกจากสมาธิแล้วรู้สึกถึงความสงบมีเสียงสงบสงบอยู่รอบตัวทั้งวันความสงบนี้คือตัวรู้หรือเปล่าคะ ไม่หรอความสงบก็ตัวคือตัวความสงบตัวรู้ก็คือรู้ความสงบตัวที่รู้ความสงบก็คือตัวรู้ตัวสงบก็คือตัวสงบของใจที่มันยังได้มาเหมือนกับที่เราเอาน้ำไปแช่ในตู้เย็นเวลาเราออกมาจากตู้เย็นมันก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวความสงบนี้ก็จะค่อยหายไป เมื่อเราเริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาให้สัมผัสรับรู้ความรู้สึกเกี่ยวกับความสงบนี้ก็จะหายไปแล้วก็จะไปรู้กับเรื่องความคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆแล้วก็เดี๋ยวก็เกิดความรุ่มน้อนใจขึ้นมาก็ต้องกลับไปเข้าไปเอาน้ำก็เอากลับเข้าไปในสมาธิใหม่เอาน้ำกลับเข้าไปในแช่ในตู้เย็นใหม่ถ้าอยากจะให้มันเย็นต่อ <c oughs> เนี่ยการปฏิบัติมันต้องสลับกัน เข้าสมาธิแล้วพอออกมาก็อย่าปล่อยมันอยู่เฉยๆเอามาเจริญปัญญามาสอนอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาให้มันมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มองเห็นร่างกายทุกคนว่าเป็นอสุภาเป็นสร้างศพเดินได้จะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจเวลามันเป็นสร้างศพขึ้นมาเพราะมันเป็นสร้างศพอยู่แล้วแต่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นคนเป็นหญิงเป็นชาย แต่ความจริงมันเป็นซากศพเดินได้มันยังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นแหละพอมันไม่หายใจปั๊บมันก็เราก็เรียกซากศพละ ใ, ให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆจะนั้ไม่ตื่นเต้นตกใจเวลาเห็นคนตายเฉยๆไม่ต้องไปกลัวผีกลัวอะไระก็ผีเจออยู่ทุกวันเนี่ยนั่งอยู่กันนี้ก็เป็นผีนนทั้งนั้นเท่านั้นยังหายใจได้นั่นเองพอไม่หายใจก็ไม่เอาละกลัวละ ที่สองการนึกภาพน่ากลัวก่อนการปฏิบัติในเวลากลางคืนการนึกคิดนี้เป็นอนัตตามไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เพราะมันผลิตขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนึกคิดใช่ไหมคะหน้าที่เราคือพอจิตผลิตภาพนี้มาแล้วก็พิจรารณาคือบางอย่างก็ยังบังคับได้เช่นมันภาพขึ้นมาแล้วไม่อยากจะเห็นมันแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแทนก็ได้ คือเราบังคับมันไม่ได้แต่เราสามารถดึงให้มันมาสร้างภาพอื่นแทนได้แทนที่มันจะสร้างภาพมาหลอกล่อเราเราก็ให้มันสร้างพุทโธพุทโธขึ้นมาพอมีพุทโธพุทโธภาพหลอกล่อก็หายไปใจสงบใจก็หายกลัวได้ฉะั้นอย่าไปสนใจว่ามันอนัตตาหรือไม่อนัตตาให้สนใจว่ามันสร้างความทุกข์ให้กับเราหรือไม่ถ้ามันสร้างความทุกข์เราต้องหยุดมันได้หรือไม่หาวิธีหยุดมันได้หรือไม่อันนี้จะดีกว่าถ้าเราเกี่ยวกับ พวกสังขารความคิดปรุงแต่งอย่าไปรู้ว่ามันเป็นอนัตตารู้แล้วทำไมรู้แล้วก็ไปทำอะไรมันไม่ได้ความจะิงทำได้แต่ทำโดยอีกวิธีหนึ่งไม่ได้ทำไปแบบไปห้ามมันแต่เราไปทาโดยที่เอามันมาทำอย่างอื่นแทนแทนที่จะให้มันผลิตทั้งผีแล้วให้มันผลิตหนังตลกเสียมันจะได้หัวเราะได้ใจ <laughs> ใจเราเนี่ยเป็นผู้ผลิตหนังให้เราดูทุกวันรู้嘛 บางวันก็ผลิตหนังตลกบางวันก็ผลิตหนังรักบางวันก็ผลิตหนังกลัวขึ้นมานี่เราไม่รู้จักควบคุมมันก็เลยปล่อยให้มันผลิตตามอารมณ์ของมันแต่ตอนนี้เราจะมาฝึกหัดให้มันหยุดผลิตให้มันอยู่เฉยๆให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันว่างเพราะหนังจอว่างอ่ะดีที่สุดนั่งดูทีวีแบบไม่ต้องเปิดเครื่องอ่ะดีที่สุดไม่มีอารมณ์ดูได้สบาย ไม่ต้องหัคำ <c oughs> ถามทางเฟซบุ๊กไลฟ์จากคุณนุกานค่ะโยมเตรียมกับข้าวใส่บาททุกเช้าแต่สามีเป็นคนใส่บาทเพราะโยมต้องจัดการยู่ไปโรเรียนอย่างนี้โยมจะจะได้บุญไหมคะได้ได้ทุกคนสามีก็ได้โยตัวโยมก็ได้เพราะเป็นสมบัติของทั้งทั้งสองคน คำถามจากคุณชูก้าค่ะ เ, เรียนพระจะช่วยอธิบายมรรคแปดเชิงเปรียบเทียบง่ายๆค่ะมรรคแปดเปรียบเทียบง่ายๆก็มัร ก, ก็เป็นทางเดินไงเราจะไปที่นี่จากที่นี่ไปกรุงเทพสมัยก่อนไม่มีทางก็ต้องไปทางเรือต้องนั่งเรือไปสมัยนี้มีถนนสุขุมวิทเราก็วิ่งไปทางสุขุมวิทมรรคแปดก็ทางไปสู่พระนิพพานทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ถ้าอยากจะไป นิพานเราก็ต้องเดินไปที่มรรคแดมรรคแปดก็สอนให้เราจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะคือความเห็นชอบความดมฤชอบศีลก็คือสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวะให้เราทําในสิ่งที่ชอบก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวง ไม่ดื่มสุรายาเมาอาชีพชาก็อย่าไปทำอาชีพที่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือไปส่งเสริมไม่ให้คนอื่นไปทําความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นขายยาพิษขายสุราขายเครื่องดักสัตว์ขายขเครื่องฆ่าสัตว์ต่างๆเนี่เป็นการส่งเสริมให้คนไปทำลายชีวิตของผู้อื่นเราก็ไม่ควรที่จะทำอาชีพแบบนี้เรียกว่าสามาชีโวนี่ก็อยู่ในกลุ่มของศีลส่วนกลุ่มของ สมาธิก็คือสัมมาวายาโมความเพียรเพียรเพียรเจริญสติสัมมาสติแล้วก็สมมเพื่อจะได้สัมมาสมาธิถ้ามีความเพียรเจริญพุทโธพุทโธก็เรียกว่ากำลังทําความเพียรถ้ามีพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องก็เรียกว่ามีสติเพราะถ้ามีสติแล้วนั่งเฉยเฉยเดี๋ยวจิตก็สงบก็ได้สมาธิก็เป็นสัมมาสติสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ อ๋อมันก็มันอยู่ในวงกลมอ่ะจะเริ่มตรงไหนก็ได้แต่เวลาปฏิบัติต้องมีสมาธิก่อนเอ่อเวลาปฏิบัติจริงๆต้องมีศีลก่อนต้องมีศีลแต่ก่อนยันี้ก่อนจะมีศีลก็ต้องมีสัมต้องมีสัมมาทิฏิก่อนเห็นว่าการปฏิบัติศีลดีถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็ไม่มาปฏิบัติศีลนี่ครับมันมีหลายระดับไงศีลระดับสมาทิฏิปัญญาระดับต้นก็ต้องเห็นว่าการทําบุญทําทานดีการรักษาศีลดีเราจะได้มารักษาศีลมาทําบุญทําทานพอมาทําบุญททําานไได้ก็จะะปล ไปนั่งสมาธิได้พอไปนั่งสมาธิได้ก็ไปเจริญสามาทิถิขั้นที่สูงกว่านี้มันเป็นวงกลมเป็นเป็นเหมือนบันไดบันไดเวียนอะใช่หไหมมันเวียนขึ้นไปเรื่อยๆสมมาทิฏิมันมีหลายขั้นขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญามันต้องมีสามาทิฏิทั้งนั้นถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องนัน เริ่มต้นที่สมาธิ ถ, ถูกแล้วต้องมีความเห็นว่าการทําบุญดีการรักษาศีลดีการนั่งสมาธิดีการเจริญวิปัสสนาดีจริงเวลาปฏิบัติมันต้องมีสมาธิก่อนไม่ใช่หรือ ม, มันต้องมีความเห็นนี้ก่อนเนี่ยคุณถึงจะมาวัดได้เนี่ย <c oughs> คุณจะมาที่นี่ได้ถ้าถ้าคนไหนว่าไม่ดีมานั่งฟังเทศฟังธรรมก็เสียเวลาคุณก็จะไม่มาคุณก็มาฟังเทศฟังธรรมพอฟังธรรมก็จะได้ปัญญาว่า จะต้องทำอะไรบ้างปัญญาก็บอกอ่ะขั้นต้นให้ไปทำทานก่อนไปแล้วค่อยรักษาศีลแล้วค่อยไปภาวนามันก็ถูกแล้วเนี่ยต้องมีเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิก่อนมันมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะได้ไปรักษาศีลได้เมื่อก่อนนี้ก็ไม่อยากจะรักษาศีลใช่ไหมขายของก็ขายไม่ออกน้องคอยอหลอกคนซื้อไม่ได้มันก็เ <laughs> <laughs> ใช่ไหมเดี <laughs> ย๋ยวนี้ก็เลยเอาศีลอยู่กันไม่ยอมขายของก็ได้ว่อือ ม, มีสัมมาธิฏฐิแล้วเข้าใจหรืป่าแต่ระดับศีลมันแล้วเดี๋ยวพอไปนั่งสมาธิธก็ต้องไปสร้างส ม, มาธิฏฐิระดับสมาธิว่านั่งยังไงถึงจะเป็นสัมมาส ม, มาธิขึ้นมามันต้องมีปัญญามีสัมมาธิฏฐิทุกระดับเวลาทำอะไรเนี่ยจบแล้วใช่เข้าใจมากแป ะ, อะพออย่างอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายคาถามจากคุณชูเก้าค่ะ การเรียนครัอาจารย์ช่วย อ, อธิบายอริยสัจสี่เชิง เ, เปรียบเทียบค่ะอ๋อเปรียบเทียบก็โรคภัยไข้เจ็บไงเวลาเราไม่สบายนี้เกิดจากอะไรเกิดจากเชื้อโรคใช่ไหมยันเวลาเป็นหวัดนี่ก็แสดงว่าโดนไข้โดนโรคหวัดเข้ามาแล้วเราจะแก้โรคหวัดนี้นยังไงก็ไปหายามากินยาก็คือธรรมโอสถมรแปดก็คือยาคว า, ความทุกความทุกข์ทางใจก็เหมือนความทุกข์ทางร่างกาย เวลาใจไม่สบายก็มีเหตุมีเชื้อโรคที่ทำให้ใจไม่สบายเหตุที่ทำให้ใจไม่สบายก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆพออยากให้สามีทำอย่างนั้นพอไม่ทำก็เสียใจน้อยใจไม่สบายใจแล้ววิธีแก้ก็ต้องเอาธรรมะโอสถมาแก้กินยาธรรมโอสถธรรมะโอสถบอกให้ปล่อยวางสามีอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปหวังอะไรจากเขาเพราะเราควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้ แต่ก็ไม่อยากจะทํากระช่างหัวมันก็จบพอเราไม่ไปไปหวังอะไรจากเขาเราก็จะสบายใจใเปรียบเทียบนี้ถูกต้องไหมโอเคนะ <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนนะวันนี้เหนื่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอา